อัจฉรอาทิงกตวาอาหารพุทธัสสะปรายโนโหมิอาหางธรรมมะสะปรายโนโหมิอาหางสังคัสสะปรายโนโห ม, อโโมิอิติมังทาเรธาติข้าพเจ้ากระทำวันนี้เป็นวันเริ่มต้น ตราบเท่าเส้นชีวิตขอมีพระพุทธเจ้าเป็นหลักนำชีวิตขอมีพระธรรมเป็นหลักนำชีวิตขอมีพระอริยสงฆ์เป็นหลักนำชีวิตขอสงโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิด ให้น้อมใจในการที่จะระลึกถึงว่าเราได้มีพระพุทธเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์เป็นหลักในการดําเนินชีวิตนะับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอสมาทานในการที่จะเดินตามร้อยบาทพระศาสดาให้ตั้งใจในลักษณะอยางนั้นอย่างแท้จริงนะว่าเราเป็นสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ของพระธรรมเป็นสิทธิ์ของปาริยสงฆ์แล้วพรุทธเจ้าพระธรรมปาริยสงฆ์เป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า ให้พิจารณาถึงว่าข้าพเจ้าขอมีขอถวายอัธภาพนี้แด่พระเจ้าแด่พระธรรมแด่พระดยสง่์ขอพระเจ้าพระธรรมพระดยสง่งโปรดจำข้าพเจ้าอย่างนี้เถิดอย่างนี้เป็นต้นการที่เราจะศึกษาฟังพระธรรมคําสอนของพระเจ้านั้นจิตใจต้องน้อมต่อพระรัตนตรยัยเพราะพระธรรมที่เราจะฟังนี่เป็นธรรมะที่พระเจ้าทรงสแสดงเนาะทรงตรัสรู้ การฟังทำไม้ด้วยความนอบน้อมด้วยความเคารพเนี่ยจะเป็นปัจจัยทําให้ท่านผู้นั้นมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในวระธรมรมคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่เราระลึกถึงพระเจ้าเนี่ยจะทําให้ใจเรามีความสุขมากเลยนะเราลองคิดถึงบุตรคิดถึงภรรยาคิดถึงสามีคิดถึงญาติมิตรคิดถึงเพื่อนเนี่ยคิดไปสักพักนึงใจแล้วก็คุณมัวเศร้าหมองแต่การคิดถึงพระเจ้าเนี่ยโอ้โหมีความสุขมากพระเจ้าเป็นพระอรหันต์เนี่ย เป็นผู้ไกลจากกิเลสแตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธเจ้าถึงพร้อมได้วิชา8ปดจดนาสิ 15. พุทธเจ้าเสด็จไปดีแล้วก็คือเสด็จไปที่อนุปาทาปริณิพานไม่กลับมาเกิดลัดล่วกิเลสอีกพุทธเจ้าเนี่ยทรงรู้แจ้งโลกทั้งสัตวโลกสังขารและโลกโอกาสโลกพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดเปดเรือรู้แจ้งกระแสโลกกระแสขันทดัดอายตนาของเราสัตว์ด้วยนะและเราเนี่ยกระแสชีวิตของเราท่านทั้งหลายพุทธเจ้าก็ใช้พัญญานเนี่ยตรวจสอบแล้วตรวจสอบเล่า ไม่เห็นอัธยาศัยแห่งการบรรลุธรรมเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเราไม่ได้ตั้งศรัทธาไว้ในพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไงงั้นเพราะเราผิดพลาดมาในอดีตเราจะไม่ทําความผิดพลาดให้เกิดขึ้นอีกแล้ววันนี้ข้าพเจ้าจะตั้งศรัทธาคือความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจะต้องเห็นศรัทธาในเราแล้วเราก็จะทําศรัทธานะั่นแหละไปเชื่อมโยงกับปัญญายานในการตัดสู้อริยสัจธรรมทั้งสี่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆ พอคิดในลักษณะอย่างนี้มันจะเกิดพลังใจเกิดกำลังใจเกิดความชื่นใจขึ้นมาเนาะแล้ในขณะเดียวกันพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นสารถิฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าก็หมายความบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยฝึกคนได้มากมายนะขนาดพญาช้างเนี่ยนะช้างนาราคีลิงเนี่ยเมาด้วยแล้วก็มีทิฐิมีโมหะอย่างแรงกล้าด้วย พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังฝึกจากช้างที่เมามันไม่มีศีลให้เป็นผู้ตั้งมั่นในศีลตลอดชีวิตได้แม้ฉันใดข้าพเจ้าเป็นมนุษย์แท้ๆทําไมพุทธเจ้าจะฝึกเราไม่ได้ต้องฝึกเราได้อย่างแน่นอนเราจะตั้งใจในการฟังว่าธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าฝึกเราให้ได้นะองค์คุลิมานเนี่ยเป็นโจรที่หยาบช้ามากฆ่าคนมาต้องเป็นพันๆใช่ไหมพระพุทธเจ้ายังสามารถกํำราบด้วยกำลังฤทธ ปราบมิจฉาทิฏฐิขององค์คุริมานให้เป็นสัมมาทิฏฐิทั้งตลอดอริยสัจ ต, ตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เอเราไม่เคยฆ่าใครถึงขนาดนั้นใ น, น, น, นในอัตภาพนี้ฉะนั้นเรามั่นใจว่าเราจะต้องถูกพระพุทธเจ้าเนี่ยกำราบมิจฉาทิฏฐิของเราเนี่ยให้พ้นจากบาป ก, กรรมากรรมบัญชัวร้ายอย่างแน่นอนก็คิดอย่างงี้นะอันพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่ยอดเยี่ยมในการที่จะฝึกแล้วฉะนั้นเราจะต้องได้รับ การฝึกขัดอบรมจากคนที่ไม่มีศรัทธามีศรัทธาจากบุคคลที่ไม่มีความเพียรไม่มีความเพียรไม่มีสติให้มีสมาธิบุคคลที่ไม่มีสมาธิมีสมาธิที่ไม่มีปัญญาใมีปัญญาอย่างแน่นอนยอมคิดงี้ไหมเออแต่คิดอย่างนี้ก็ตั้งใจในการที่เาจะเอาละเราอยากจะเป็นสิทธิ์ที่ดีของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิ์ที่ดีของวัฏธรรมเป็นสิทธิ์ที่ดีของพระสงฆ์ ใช่ไเราเคยกระด้างกระเดืองในพระตนาตรามานานแล้วนับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปเราจะไม่กระด้างกระเดืองอีกแล้วโทษของความดื้อเนี่ยเป็นแบบนี้แหละเราก็เจ็บปวดในสังสารวัฏไงต้องไป จ, จมอยู่ในชาติทุทกข์คือความเกิดชราทุกข์คือความแก่พยาธิทุกข์คือความเจ็บไข้มรณะทุกข์คือความตายโสก oh ปริเทวทุกขโทมนาสัพพายา ต, ต้องไปประสบความโศกความร่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เพราะว่าอะไร เพราะเป็นสิทธิ์ไม่ดีเหมนต่อไปฉันจะต้องเป็นสิทธิที่ดีของพระรัตนตรัยให้ได้ว่าตั้งใจอย่างนี้โหจะน้อมพระพุทธปฏิบัติเลยนะยอมได้คิดแบบนี้ไหมต่อไปเราจะเป็นสิทธิที่ดีของพระพุทธเจ้าเป็นสิทธิที่ดีของพระธรรมเป็นสิทธิที่ดีของบาดาลสงคําว่าสิทธิก็คืออะไรเป็นผู้ที่อาศัยพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นะเราจะไม่เดินออกจากพระรัตนตรัยอีกแล้วเราจะไม่ทําตัวเหมือนนกอะไรลูกนกมูลไถ่ ไอ้ลูกนกมูนไถเนี่ยมันดือ้อแม่ก็บอกบอกลูกเอ้ยเนี่ยเวลาหากินเนี่ยให้หลบ ก, ก้อนขี้ไถเข้าไว้มันจะได้ปลอดภัยตัวเรามันเล็กใช่ไหมล่ะไอ้เจ้าลูกนกตัวเนี้มันแข็งแรงแล้วมันก็อวดเก่งอวดเก่งไม่สนใจแล้วกระโดดขึ้นไปยืนอยู่บนก้อนขี้ไถก็วิ่งออกไปที่หลบมีวันหนึ่งไอ้เหี่ยวก็เชี่ยวฟุ๊บบินขึ้นไปเลยมันก็ร้องไห้ไอ้เจ้านกตัวนี้ร้องไห้โอ้โหเนี่ยที่เราต้องมา ถูกเหวี่ยงจับเดี๋ยวเราก็ต้องตายถูกกินตายแน่นอนเนี่ยเพราะเรา อ, อะไรเพราะอะไรเพราะไม่เชื่อแม่พุทธบริษัทของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นศิษย์ของพระเจ้าไม่เชื่อพระพทะเจ้าไม่เชื่อเราก็โดดออกจากพระรัตนตรยัยโดดออกจากศีลสมาธิปัญญาเข้าไปอยู่ในราคะโทสะโมหะแล้วก็ถูกไอ้โลภะโทสะโมหปะปดุดตั้งเหวี่ยวจับเอาตอนนี้ใช่ไหมความโลภความโกรธความหลงเพราะกิเลสฝังอยู่ในกระแสชีวิตแล้วเป็นยังไงต่อ ก็ไปทำโทษจริตพอทำโทษจริตขึ้นมาบาปมันก็ให้ผลในีทีนี้ไอบาปให้ผลเนี่แหละเหมือนเหยียวจับกินเรียบร้อยไปแล้วไอนกตัวนี้มันร้องไห้โอ้โหนี่ความไม่เชื่อแม่ไม่เชื่อพ่อไม่น่าโดดออกมาจากกองก้อนขี้ไถเลยเราเสียหายเลยเนี่ยไอเหยียวตัวเนี้ยไอเหยียวไม่ได้ยินอย่างนั้นมันก็หัวเราะไอตัวเล็กแค่นี้ใช่ไหมล่ะบอกว่าจริงหรือบอจริงเอาแล้วจะฉันจะปล่อยจะปล่อยเธอเนี่ยแล้วฉันจะจับใหม่ก็ได้จับเมื่อไรก็ได้ ไอ้นกมูนไทยเล็กๆนี่ก็บอกว่าไม่จริงหรอกถ้าปล่อยแล้วไม่มีทางฉันไม่ตายแล้วฉันจะเชื่อพ่อแม่เอาละระหว่างคุณเองเชื่อพ่อแม่กับฉันมั่นใจในพลังของฉันเนี่ยนกเหยื่อตัวนี้ก็ปล่อยปล่อยนกนกตัวนี้ก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนก้อนหินเหยี่ยวบินขึ้นอย่างสูงมันเห็นแล้วมันก็วิ่งบินลงมาแล้วก็ทิ้งตัวเต็มที่เลย นกมูลไทยก็กระโดดหลบไปอยู่ในก้อนขี้ไถ่เหยี่ยวบินมามันเบรกไม่ทันชนก้อนหินตายไหม น, นอย่างนี้เหมือนการตระหนีเนี่ยว่าพุทธบริษัทเนี่ยถ้าเราโดดออกจากราคาโทรศัพโมหะออกจากทุจริตแล้วเราก็ไปหลบอยู่ในพระรัตนตรยัยไปอยู่ในศีลสมาธิปัญญาเวลากิเลส ก, ก็ดีบาปทั้งหลายก็ดีมันจะเล่นงานเล่นงานได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวมันก็อกแตกตายเหมือนไอ้เหยี่ยวตัวนี้แหละใช่ไหมล่ะ เออเราต้องทําอย่างนั้นที่ต่อไปเราอย่าไปใช้บริการมันความโลภโกรธหลงเนี่ยหรือทุจริตทั้งหลายเหล่านี้ยเราก็มาหลบอยู่ในศีลสมาธิปัญญาปลอดภัยไหมปลอดภัยใช่ไหมยอย่าแหลมออกไปนะอย่ากระโดดฟุบออกไปเรียบร้อยเลยเดี๋ยวก็ถูกเหีย่ยวคือราคากัดเอาเหีย่ยวคือโทระกัดเอาเหีย่ยวคือโมหะกัดเอายังไงเราก็ตายอยู่ในสังสารวัตรก็จเจ็บปวดนี่ตอนนี้ ความโลภมันต้องการอะไรแล้วก็ไปบริการเขาก็ถูกความโลภชักจูงไปถูกความโกรธชักจูงไปมันอยากให้เราถลึงตามองใครแล้วก็ไปถลึงตามองโดนมันกินแล้วโดนเหี่ยวกินเรียบร้อยเป็นไหมเราเป็นทาตุกงกิเลสไหมโอ้โหเป็นธาตุกงกิเลสแล้วเจ็บปวดไหมตอนนี้ยเนี่ยก็เจ็บปวดทุกวันนี่แ้วพิทวังนั่นแหละก็คือไอ้เนี่ยไอ้โรคลูกนกมุนไถมันไม่เชื่อพ่อแม่ต่อไปจะเชื่อพระพุทธเจ้าไหม เชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์แล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมเพราะพระพุทธเจ้าแสดงอริยสัจอริยสัจจะทำทั้งสี่ในพระพุทธเจ้าแทงตลอดถามว่าการเป็นพระพุทธเจ้าเพราะอะไรก็เพราะมียานปัญญาที่ไปแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้ง4นี่แหละจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าแม้พระปเจกับพระพุทธเจ้าที่ท่านได้เป็นพระปเจกพระเจ้าก็ต้องแทงตลอดอริยสัจจะทำทั้ง4นี่แหละสัจจความจริงทั้ง4ประการนี่แหละจึงได้พระเป็นพระปเจกับพระพุทธเจ้า แม้พระอรหันตสาวกมีท่านนัญญากรทัญญว่ป่าพัตยามหานามาสชิพภาษาลิบุตรพระโมคคารนาเป็นต้นตลอดถึงสาวกสาวิกาอุบาสกบาสิกาในพระรัตนไตรัยนะท้าอุบาสก ก, กลุ่มอุบาลีก็นังวดีก็เดยานาถาพินิกาเศรษฐีท่านวิสาขาเป็นต้นเนี่ยหรือท้าบาสิกาก็มีนางวิสาขาใช่ไหมนางโคชุตตาลาเป็นต้นเหล่านี้บุคคลเหล่านี้ที่ได้เป็นภระริยะเพราะท่านทั้งตลอดอะไรอริยสัจธรรมทั้งสี่ ก็คือว่าทรงตัดสู้ความจริงอันประเสริฐคําว่าอริยศาสตร์ที่เก็แปลว่าความจริงอันประเสริฐนะความจริงอันประเสริฐนั้นความหมายหนึ่งอีกความหมายหนึ่งบอกวความจริงของผ้าอริยะผ้าอริยะนี่คือใครอ้าวผ้าอริยะคือใครใช่พวกเราไหมพวกเราเป็นอะไรเป็นอริยะหรือเป็นอนาริยะ <c oughs> ไม่เอาอนาิยะไม่เอา เป็นอริยะั้มพวกเราเป็นอริยะมหมยังไม่เป็นใช่ั้มถ้าตรงข้ามของอริยะคืออนาริยะใช่ั้ยเขาแปลว่าอาริยะแปลว่าอะไรบุคคลที่เจริญแล้วบุคคลที่ประเสริฐแล้วใช่ั้ยพวกเราเป็นปุถุชนหรือเป็นอริยะปุถุชนมีกี่จำพวกมีสองจำพวกมีก่มพวกกาลยานปุถุชนจำพวกหนึ่ง แล้วก็กลุ่มอันทภาพาละปุตชนนั้นพวกหนึ่งอันทะาศัพท์นี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าบอดภาระแปลว่าเขาอันท้าพาละุชนแปลว่าอยอมพูดเองนะ <c oughs> <c oughs> อันทาแปลว่าบอดนี่ใช่ไหมแปลว่ามืดบอดภาละแปลว่าแปลว่าเขา โอทุนี่แปลว่าหนาโอ้โหสามความหมายเลยปุถุชนผู้บอดด้วยเข่าด้วยหนาด้วยเอหนานี่ดีไหมคําว่าหนานี่ดีไหมเอาอยากเป็นไหมยอยากเป็นปุถุชนไหมแต่มันมีปุถุชนอีกกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่ากัลยาณ์นปุถุชนค่อย <c oughs> ยังชั่วหน่อย กาลยานุปุธชนเนี้นแปลว่าปุธชนที่มีกาลยาณธรรมคําว่ากาลยานธรรมในที่นั้นก็เป็นชื่อของกุศลกรรมบทบุคคลที่กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดใช่ไหมกายวาจาใจสะอาดบุคคลที่มีสุดเจริตสามอยู่ในใจเขาเรียกว่ากาลยานุปุธชนแต่ถ้าบุคคลใดก็แล้วแต่ ประพฤกายทุจริตวจีทุจริตมโนโทุจริตเป็นมิจฉาทิฏฐิติเตียนปริยาเจ้าเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าอันทะพาละปุรุชนอันทะก็คือบอดพาระก็คือเขา่าปุถุ ก, ก็คือหนาบอดด้วยเข่าด้วยหนาด้วย <c ười> คือเป็นบุคคลที่ยากนักที่จะ สอนหรือบอกกล่าวเพราะมีอะไรแบบนั้นหนามีความโลภแบบนั้นหนามีความโกรธแบบนั่นหนามีโมหะแบบนั้นหนาแล้วเขาด้วยเขาในที่นั้นตรงก็คืออะไรคำว่าเขาเนี่ยเออโง่เ่านยอมพูดเองโ <laughs> ง่โง่โง่คืออะไรโง่ก็คือไม่ฉลาดใช่ไหมก็คือการดำเนินชีวิตไปด้วยความไม่รู้เรื่อง มันเป็นบาปเป็นบุญก็ไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยคำว่าโง่เนี่ยคำว่าคำว่าบอดเยนะคาว่าบอดเนี่ยมาจากอันท่านเนี่ยคาว่ามืดบอดท่านอุปมาว่าเหมือนเหมือนกระบือบอดเข้าสู่ป่าใหญ่เอาคิดว่ากระบือบอดเข้าป่าใหญ่เนี่ยเขาจะรู้ไหมเขาเดินผิดทางหลงทางหรือถูกทาง รู้ไม่รู้เดินถูกทางกับกรบื้อบอด์ต<ๆ>เขารู้ไหมเดินถูกทางก็ไม่รู้ผิดทางก็ไม่รู้แม้ฉันใดคนบางคนเกิดมาในโลกใบนี้มีกายทุจริทธวจีทุจริตมโนทุจริตเป็นอัธยาศัยตีเตียนพระญาเจ้าเป็นคนมืดบอดแยกไม่ออกว่าอะไรเป็นบุญเป็นบาปมีจริงๆนะคนเพศ น, นนี้มีจริงๆนะเขาไม่รู้เลยสิ่งที่เขาทามันบาปมันบุญยังไงก็ไม่รู้เพราะอะไรเพราะยานปัญญาไม่เกิดขึ้นในใจของเขาจิตของเขามืดบอด ถ้ายอมไปเจอคนประเภทนี้ยอมจะอิดหนาละอาใจเลยโอ้โหขนาดนี้เลยถ้าบอกทําไมไม่ไว้พ่อแม่วายทาไมไม่เห็นมีเหตุผลที่ต้องไหว้เลยรู้ไหมอย่างนี้มันไม่ดีเอา้าทําไมคนอื่นเขาทากักนได้เพราะมันจะไปงันมันท่วงนี่แหละมันบอดไงมันไม่สามารถแยกได้ ม, มีจริงจริงนะคนประเภทนี้ยไม่ใช่พวกเราใช่ไหมไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมเอ๊ะหรือมีบ้างบ้า <laughs> ไม่มีนะเขอิงชั่วหน่อยฉะนั้นเราขอเป็นไรกาลยานุบุตรชนถ้าเป็นกาลยานุบุตรชนปุ๊บก็บพัฒนาจากกาลยานุบุตรชนก็เป็นอริยบุคคลใช่ไหมเราปรารถนาตรงนั้นถ้ามาจากอันท้าพาราบุรตรชนเนี่ยเพื่อจะพัฒนาสู่กาลยาบุบุตชนนีย่ยากและยากมากเลยโอ้โหยมลงไปสอนอยู่เถอคนกลุ่มนี้สอนสอนให้แยกบุญแยกบาปไม่รู้อะไรเป็นกุศลอกุศลไม่รู้อะไรควรทําไม่ควรทําไม่รู้ อะไรอะไรเป็นสุดจริตทุจริตไม่รู้เลยอะไรเป็นธรรมะฝ่ายดำฝ่ายขาวแยกไม่ออกอะไรเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แยกไม่ออกบุคคลเหล่านี้โอ้โหเขาเรียวกว่า บ, บอดจัดใช่ถ้าเจอคนแบบนี้มีทางเดียวรีบหนีท่านเป็นสามีก็รีบทิ้งมันถ้าเป็นภรรยาก็รีบทิง้งอยู่ด้วยไม่ได้กลับไปยอมไปบอกเลยนะยอมนะฉันพิจารณาดูตั้งห้าสิบปีแล้ว คิดไปคิดมาตรวจดูในพระตระวิดกหลายสิบรอบแล้วฉันอยู่กับเธอไม่ได้แล้วเขาไปดีกว่าเขาจะดีใจไหมดีใจไหมเขาจะดีใจทันทีเพราะเขาก็คิดว่าเป็นเราเป็นอันธพาลละบูติคือต่างฝ่ายต่างก็ไม่รู้กันว่าใครเป็นหรือไม่เป็นเนี่ย นั้นก็มาหาพระดิะมาหาท่านนายเขาแล้วถามท่นนานนายวาเนี้ยอมสองคนใครกันแน่ที่เป็นอัตมาลท่านนายเขาจะบอกว่าอัตมาก็ไม่รู้อัตมาก็ยังงงตัวเองอยูุ่นกันเองที่เป็นตนสรุปแล้วก็คือว่าจากกรารยานุบุรชนก็สังเกตได้ไม่ยากดูเขาสมาทานกุศลกรรมบทสิบเป็นคนมีกุศลศีลมีศีลห้า เป็นคนประพฤติปฏิบัติในศีลห้ามีใจน้อมไปในการที่ทําในสิ่งที่ดีงามทั้งหลายนี่รู้ได้ทันทีนี่เป็นกัลยาณบุถุชนและกลุ่มบุคคลประเภท น, นี้แหละที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นมาต้องการจะแนะนําคนกลุ่มนี้แหละเพื่อจะเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลพระพุทธเจ้าก็มาจะแสดงอริยาศาสตร์ให้กับคนกลุ่มนี้ได้ฟังใช่ไหมล่ะฉะนั้นความจริงกันประเสริฐนี่ความหมายของอริยาศาสตร์ข้อแรกความหมายแรกความหมายที่สองก็คือความจริงของพาริยะ เดีถ้าเป็นความจริงของภริยะก็ก็ไม่ใช่ความจริงของบุตุชนนี่เท่นั้นใช่ไหมเออมันอาจจะความรู้สึกของบุตรชนเนี่ยเพราะเราไม่ได้เห็นความจริงนี้ทีนี้ความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นอริยะนั้นถ้าใครเข้าถึงอริยสัจสียจากกัญยาของบุตรชนจะกลายเป็นแหละกลายเป็นอริยะทันทีอริยะมีใครบ้างอริยะบุคคลที่ประเสริฐก็มีพระโสดาบันพระสกทาคาพระนาคาพระอรหัน มีพระสามมาสมรุท์เจ้าพระปเจริยวรรคเจ้าและข้าพระฐานตสาวกตลอดถึงพุทธสาวกทั้งหลายที่เป็นตั้งแต่ชั้นพระโสดาบันขึ้นไปนี่เขาเรียกว่าเป็นพระริยะาการนั้นความจริงที่ทําให้ผู้เข้าถึงกลายเป็นพระริยะยอมอยากเป็นไหมเล่าอยากเป็นใช่ไหมต่อไปเราจะได้ไม่ต้องเป็นปุถุชนเลยกลับไปก็ไปบอกคนอื่นตอนนี้ฉันไม่ใช่ปุถุชนแล้วไนงะ แต่ตอนนี้เป็นอยู่ไหมยังเป็นบุตรชนไหมกลับไปเลยนะบอกว่านี่นะบุตุชนเนะี่ยท่นไปฟังมาแล้วพระท่านบอกไว้มีสองอย่างหนึ่งอันทาพาราบุตรชน2กัลยาณบุตุช น, อ, น, ชนอันทาพาราบุตุชนเป็นแบบนี้ก็บอกไปเลยพวกนี้ชอบทําทุจริตทางกายชอบฆ่าสัตว์รักษาประพฤติผิดในกามชอบพูดเทศโสเยดคําหยาเพื่อเจริโลภโกรธแล้มิจฉาทิฏฐิกลุ่มนี้เขาเรียกว่าอันทาพาราบุตุชน ส่วนกัลยาณบุริชนคือพวกที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดการไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพิรเจอร์ไม่โลภไม่โกรธด้วยนะไม่หงุดหงิดฟุ้งซ่านด้วยแล้วก็มีใจที่เป็นสัมมาทิฏฐิฉลาดในเรื่องกรรมและผลของกรรมรู้เหตุรู้ผลเนี่ยรู้จากเหตุจากผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการด้วยรู้จักชุมชนรู้จักบุคคลด้วยเป็นต้นเหล่านี้นะนี่ก็เกลุ่มนี้กลุ่มกัลยาณบุริชนอ้าวตกลงแล้วเธอจะเป็นกลุ่มไหนเข้าไปไปบอกสามีีอย จะเป็นกัญาณุรุชนหรือเป็นอันท่าพาระบุชชนแต่ตอนนี้ฉันเป็นกัญยาณุรุชนแล้วไปบอกเขาอย่างเงี้ยกล้าไปบอกไหมพอไปบอกเสร็จพวกเขาบอกงั้นเธอก็เป็นกัญญาปุชชนไปเถอะไปบอกแย่งเนี่ยเห็นัหมว่าปุุชนมีสองอย่างไงตอนนี้ฉันเป็นกัญญาณุรุชนก่อนแล้วต่อไปยังจะพัฒนาจาก กัลยาณ์นบุตรชนเข้าสู่ความเป็นอริยบุคคลเพราะว่าธรรมะที่จะเป็นที่จะดําเนินหลักปฏิบัติที่จะเป็นข้อปฏิบัติดําเนินไปสู่ความเป็นอริยชั้นเรียนรู้แล้วฉันไปเข้าอบรมใช่ไหมบอกมีไปเข้าอบรมมาสองวันวันแรกเรียนเรื่องพรหมวิหาร4ี่กับอะไรสังฆาวัตถุสี่เออหลักการปฏิบัติวันที่สองพระท่านสอนอริยสัจสี่ ดีไหมเงี้ยในไหมความจริงที่ทําให้ถ้าเราไปเข้าถึงความจริงไงเข้าถึงความจริงในอริยสัจทั้ง4ี่เราจากปุถุชนจากกาลยารุปุถุชนเราจะกลายเป็นอริยะเลยเขาเรียกความจริงอันประเสริฐเป็นอย่างนี้ทีนี้ในบรรดาอริยสัจสี่พวกเราท่องกันได้หมดเลยใช่ไหมมีอะไรบ้างนะหนึ่งโอ้โหลูห็นหมันหนึ่งอะไรนะทุกสองสมุทัยสานิโรธสี่ เรารู้แล้วเนี่ย <c oughs> เรารู้จากอริยสัจ ส, สีเราเป็นอริยะหรือยังเราทำไมไม่เป็นล่ะ <c oughs> แต่ถ้ารู้รู้แบบไหนรู้แบบสัญญารู้รู้แบบวิญญาณรู้หรือรู้แบบปัญ ญ, ญารู้ ถึงจะเป็นอริยสัตรอถึงจะเข้าถึงกลายเป็นอริยได้ใช่ต้องรู้อย่างปัญญารู้เนาะถ้ารู้อย่างสัญญารู้ก็จําได้อย่างเมื่อสักครู่เนี่ยท่องได้หมดเลยอริยสัตว์มีอะไรทุกสมุทัยนิรันดร์มรรคต้องรู้ถ้ารู้อย่างวิญญาณรู้รู้ยังไงรู้อย่างวิญญาณรู้ก็มีการรู้จากการที่พัฒนามากกว่าสัญญารู้เนี่ยเพราะจิตเนี่ย เข้าไปรับรู้ในสิ่งเหล่านี้นะแต่ถ้าจะรู้ที่จะสามารถพัฒนาจากมนุษย์ธรรมดาเข้าถึงกลายจากบุรุษจากกายาบุรุชนก็สู่ความปัญญาก็รู้อย่างปัญญาและปัญญาในที่นั้นก็ต้องเป็นปัญญาระดับโลกุตละปัญญาพัฒนาจากโลกียญปัญญาพัฒนาไปถึงโลกุตละปัญญารู้ระดับนั้นได้เมื่อไหร่ไปแทงตลอดเมื่อไหร่มนุษย์ธรรมดาก็เลยกลายเป็นอริยะได้อย่างนี้เป็นต้นยอมรู้จักคําว่าทุกไหม ทุกเนี่ยความทุกเนี่ยยอมรู้ไหมตอนที่เรานั่งอยู่เนี้ยเรานั่งอยู่เนี้ยเราทุกไหมทุกไม่ทุ ก, ท, กทุกอะไรอ๋อนี่ทุกแล้วใช่ไหมปวดที่ไหนปวดขาใช่ไหม แล้วเวลานั่งเนี้ยมันทุกข์ที่กายเลยทุกข์ที่ใจทุกข์ที่กายแล้วกายมันรู้เรื่องแล้วมันทุกข์ได้ไงจริงๆแล้วอะไรไปทุกข์ใ จ, ใจยอมเป็นทุกข์ใช่หมเอะคนที่เขาสมมติว่าเขาให้นั่งอย่างนี้นะแล้วก็ใครสามารถนั่งนั่งได้วันหนึ่งโดยไม่ขยับเลยนะแล้วเขามี มีให้เก็บเพชรทีละเม็ดละเม็ดเก็บแต่ถ้าขยับเมื่อไรเพชรที่เก็บได้เน่ะเขาจะเอาคืนหมดแต่วันหนึ่งเต็มเต็มเลยนั่งห้ามเข้าห้องน้ําด้วยอะไรด้วยยอมคิดว่าจะไปแข่งกับเขาไหมไปไหมไปไม่ไหวเลยเลยเพชรนะยอมนะเพชรเลยนะหยิบได้ทีละเม็ดละเม็ดนะถ้าหยิบได้มากก็คือได้มากอะ่ะ แต่มีข้อแม้ว่าเขามีกล้องมีอะไรจับเรือห้ามขยับให้นั่งอยู่ท่าเดียวแต่เก็บอย่างนี้เก็บจะเข้าแข่งกับเขาไหมเพราะอะไรอุ๊ยไม่จริงหรอกฉันว่าสมัครทุกคนเลยเนี่ยเ <laughs> <laughs> <laughs> พเพราะไม่มีใครมาแข่งแบบนี้จริงๆถ้าแข่งจริงไม่ไม่เหลือจริงๆคําว่าทุกเนี่ย ในความหมายของอริยศาสตร์กับทุกในความหมายในความเข้าใจของบุรุชนคนละทุกกันเนี่ยเออมันเป็น อ, อย่างนี้ยังยกตัวอย่างเช่นว่าที่จริงความทุกเนี่ยโดยส่วนใหญ่เราจะไปเข้าใจว่าเราเป็นความทุกข์ใจข้างเราความทุกหรือสภาพที่ทนได้ยากเนี่ยยางยกตัวอย่างเช่นสภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งบกพร่องขาดแกนสาร ขาดความเที่ยงแท้ไม่ให้ความพึงพอใจได้อย่างแท้จริงได้แก่อะไรชาติคือความเกิดชราคือความแก่มรณะคือความตายแล้วสวดมนต์กันนะการประจวบสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพัดภาคจากสิ่งเตี้ยที่รักความปรารถนาและไม่สมหวังว่าโดยย่อคืออุปาทานขันห้าเป็นทุกเนี่ยพอพูดอย่างนี้เราก็เอ๊ะ รูปประขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือกระแสชีวิตเนี่ยมันเป็นสภาพของความทุกข์ในตวงมันเองอยู่แล้วโดยชนิดที่ไม่เกี่ยวก็ว่าเราจะชอบใจหรือไม่ชอบใจความรู้สึกของเราจะไปรับรู้ยังไงไม่เกี่ยวแต่กะนั้นก็คือเป็นความจริงของเขาอยู่แล้วถไมสภาวะของกระแสชีวิตเนี่ย ที่มันมีสภาวะที่บีบคั้นขัดแยง้งมันบกพร่องในตัวมันเองตลอดก็แปลว่าอะไรคําว่าบกพร่องขัดแยง้งบีบคั้นเนี่ยก็คือว่ามันมีการเกิดดับสืบต่อมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองอยู่ตลอดเวลาแม้เรานั่งอยู่อย่างเนี้ยแม้สภาพของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตา ป, ปอดเนี่ยไส์ใหญ่ไส์น้อยมันสมองเนี่ยมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดมันมีระบบการบีบคั้นขัดแยง้ง บกพร่องขาดแก่นสารไม่มีสาระของความงามไม่มีสาระของความเที่ยงไม่มีสาระความเป็นสุขนะมันมันบีบคั้นมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเกิดดับตลอดและมันไม่มีสาระมันไม่ได้เป็นไปตามอํานาจของใครมันเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันมันเป็นมันอยู่อย่างนี้แต่เราไม่เข้าใจเราไม่เห็นความจริงข้อนี้หรอกแต่อันนี้คือเรียกเป็นทุกข์ยางชาติคือความเกิดเนี่ยยอมว่าเป็นทุกข์หรือเป็นสุข มันเป็นทุกข์ตตอนไหนมันเป็นทุกข์ตอนไหนอ่ะอย่างการถือปฏิสนธิในคันของแม่เนี่ยหรือในท้องของสัตว์ทั้งหลายเหล่านี้สัตว์ที่เกิดอยู่ในคันเนี่ยมันเป็นทุกข์ในขนาดไหนมันรู้ตัวไหมแต่จริงๆรสภาวะนันเป็นทุกข์อยู่ไหมมันเริ่มตั้งแต่ไหนเนี่ยเริ่มตั้งแต่เป็นพอปฏิสนธิครั้งแรกก็เป็นน้ำใสๆขึ้นมาเ่งี้ ในสั ป, ปดาห์แรกเดี่ยเป็นน้ําใสๆเงี้ยพอเข้ามาสั ป, ปดาห์ที่สองจากน้ําใสๆก็เริ่มขุนใช่ไหมเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองตลอดแต่จริงมันเปลี่ยนทุกวินาทีแต่มันจะเห็นชัดเมื่อสั ป, ปดาห์ที่สองมันขุนขึ้นมาหน้าเข้าจากน้ําที่เป็นขุนๆเนี่ยมันสีเหมือนสีล้างเนื้อเนี่ยหน้าเข้าหน้าเข้ามันก็กลายเป็นชิ้นเนื้อขึ้นมาจากกลายเป็นชิ้นเนื้อขึ้นมามันก็เริ่มเป็นสันฐานเหมือนกับไข่ไก่กลมๆขึ้นมาเงี้ย จากเป็นสันฐานมันไข่ไก่ที่กลมเนี่ยนะข้านะข้ามันก็มีปุ่มแตกมาห้าปุ่มศีรษะหนึ่งแขนสองขาสองเนี่ยมันแตกไหมนะข้าวนะข้าก็เริ่มมีผมมีขนมีเล็บมีหัวใจมีายมันเริ่มงอ ก, งอ ก, ง, อกงอกอกอกมาเนี่ยอาการที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ที่มันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเวลานั้นบง่งบอกถึงความเป็นเป็นอะไรนั่นหละทุก นีมันสภาวะที่มันบีบคั้นขัดแย้งบกพองมันทนอยู่ในมันสภาพที่ทนได้ยากมันไม่มันไม่ได้อยู่ในสภาพเดิมมันเปลี่ยนตัวมันเองตลอดเนี่ยมันต้องมีการบีบคั้นขัดแย้งเป็นไปตามเหตุปัจจัยต่างานั่นแหละความทุกข์มันเกิดขึ้นมันไม่เกี่ยวกับทุกข์ใจหรือไม่ทุกข์ใจชอบใจหรือไม่ชอบใจไม่เกี่ยวแต่สภาวะที่มันแสดงแสดงออกมาให้เห็นอย่างนั้นนะคือความทุกข์มันกําลังมันกําลังแปลเปลี่ยนให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเหมือนเราเนี่ย เรานั่งโยนเนี่ยทังสังเกตดูที่มันบีบคั้นมันขัดแย้งตลอดเวลาทั้งภายในถายนอกเนี่ยกระแสชีวิตเนี่ยมีการแลตรงแลเหลียวก้าวไปถอยกลับกินดื่มเคี้ยวริมถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยความทุกข์มันทะลักออกมานีเนี่ยโรคมันทะลักออกมาเนเช่นการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยหรือเย็นแล้ร้อนเป็นตัวเหล่านี้หิวกระหายทั้งหลายเหล่านี้มันแปลเปลี่ยนเปลี่ยแปลเปลี่ยนตลอดนะเนี่ยมันบีบคั้นขัดแย้งตลอดเวลานะ มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อันนี้คือสภาวะของความทุกข์เขาใหญ่ยังแต่เราไม่เคยรู้มันเลยว่า น, นี่มันเป็นทุกข์มันเป็นทุกข์ในตัวมันเองโดยไม่เกี่ยวข้องว่าเราจะมีความรู้สึกกับมันยังไงแต่มนุษย์เนี่ยอันนี้คือทุกข์ธรรมชาตินะเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปดังนั้นความทุกข์เวลามันเกิดนเข้านักขนขนเข้าอยู่ในครั้นเนี่ยเวลาอยู่ในครั้นของแม่เนี่ย อาหารร้อนที่แม่กินเข้าไปเย็นที่แม่กินเข้าไปเผ็ดจืดทั้งหลายเราไม่ได้กินเข้าไปมีผลต่อเด็กไหมมีหมดเลยการอยู่ในท้องเวลาแม่ลุกยืนเดินนั่งนอนมีผลกระทบต่อเด็กหมดแหละแม้จะคลอดออกจากครรนโอ้โหแสนจะทรมานอย่างนี้เป็นต้นกรณีอย่างนี้ท่านเชีย่ยเห็นอะไรเชีย่ยเห็นถึงว่ากระแสชีวิตเนี่ยมันถูกความทุกข์เนี่ยบีบคั้นเบียดเบียนอยู่ตลอดเวลานี่เป็นแบบนี้ ทีนี้ประเด็นมันอยู่ว่าเวลาเราไปอย่างเช่นชาราทุกชารานี่คืออะไรอ่ะชารามันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนไหนตอนที่เราอายุหกสิบไปแล้วชาราต้งจะมาหรือมันชารามาตั้งแต่เด็ ก, ดกมันมาตั้งแต่นู้นแหละชาราเนี่ยชาราคืออะไร ภาวะที่อินทรีย์ทั้งหลายเริ่มบกพร่องตาตาเป็นไงตอนนี้เริ่ม ฟ, ฟ้าฟางใช่ไหมโยหูสรีระเป็นไงย่อนยานแล้วเนี่ยผมเริ่มงอกแล้วขนหลุดล่วงแล้วนะเล็บฟันฟันเป็นไงบ้าง คันเริ่มเริ่มหลุดไปเยอะแล้วนะหนังหนังเป็นยังไงเอ็นเอ็นเป็นยังไงโอ้โหเป็นเริ่มลกระดูกเป็นไงกระดูกเป็นไงตอนนี้เยื่อในกระดูกเยื่อในกระดูกหัวใจเป็นยังไงตอนนี้ตับบ้างปอดบ้างไตบ้างโอ้โหสารพัดหมดเลยนะ เวลามันชลาขึ้นมามันเริ่มเริ่มเสื่อมแล้วเริ่มเสื่อมแล้วชลาถ้าพยาธิอ่ะพยาธิคืออะไรมันเริ่มทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนอวัยวะคืออินทรีย์ทั้งหลายทําหน้าที่ตอนนี้เริ่มทําหน้าที่วิปริตผิดเพี้ยนนี่ยังไอ้กรณีอย่างนี้อาการที่บ่งบอกอย่างนี้เขาเรียกว่าทุกข์มันรายงานอยู่มันรายงานตัวมันเองตลอดเวลาเห็นไหมอันนี้เป็นธรรมชาติไหม เป็นธรรมชาติเป็นธรรมดาของกระแสชีวิตมันเป็นแบบนี้มันรายงานมันทามันมันบ่งบอกมันทำหน้าที่ผิดเพี้ยนพอเราเอาใจเข้าไปรู้ไปเห็นความทุกข์ที่มันกาลังแปลเปลี่ยนรายงานอยู่ตอนนั้นเรามีความรู้สึกยังไงเรารู้สึกทรมานใจไหมวเวลาไปส่องหน้าในกระจกเงาหน้าในกระจกส่องพอเห็นหน้าตนเองแล้วปีติเกิดไหม ตีติ ด, ดชื่นใจเลยไหมถามจริงอยากจะมองนานๆไหมอ้าอยากจะมองนานไหมอ้าทำไมไม่อยา ก, ม อ, ยากมองนานๆเพราะอะไรมันเป็นทุกข์เลยเลยถามว่าเวลาเรา เราไปมองเางาหน้าเราหรือมองไม่ใช่แต่หน้ามองทั้งหมดในกระจกเนี่ยพอมองปุ๊บเนี่ยเราเกิดทุกข์ใจขึ้นมาอย่างเงี้ยนะไอ้กรณีอย่างนี้ชื่อว่าเห็นทุกข์ใช่ไหมฮะทจริงเราไปเห็นทุกข์ธรรมชาติใช่ไหมเห็นธรรมชาติเห็นความจริงปุ๊บแล้วใจเราเป็นทุกข์ในขนาดนั้นชื่อว่าเห็นทุกข์หรือยังแล้วจะเห็นยังไงจะเห็นทุกข์ ถ้าเห็นทุกจะเห็นยังไงอ่ะก็มันเห็นแล้วมันแก่จัดแล้ ว, ลว <perfume> ยอมรับกับยอมจำน น, นี่เหมือนกันหม <othe c oughs> ฉันว่าไม่ใช่มเถ้า <face> เห็นไม้มการที่เราไปเห็นด้วยด้วยตาเนื้อเห็นปุ๊บแล้วใจเรา e เศราเ้าหมองทุกแล้วเครียดกินเลยเครียดกินเอ้ยนี้มันใไข่ ที่จริงถ้าเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าสามีก็ดีหรือภรรยาก็ดีเขาจะไม่อยากมองหน้าเราเนี่ยมันสมเหตุผลไหม <c oughs> ถามจริงสมเหตุสมผลไหมสมเหตุสมผล <c oughs> ก็เข้าไปจับมือเขาบอกฉันเข้าใจคุณแล้ว <c oughs> <c oughs> ฉันยังรับตัวเองไม่ได้เลยใช่ไหมฉันยังรับตัวเองไม่ได้เลย ยอมจาน้นมาแล้วสู้ไม่ไหวแต่จะผ่าตัดของเป็นงานใหญ่งานนี้ไม่รู้จะแต่งตรงไห น, นใช่ไ้ยคือมันมันทั้งหมดเลยอะ่ะใช่ไหมเราก็ยอมแล้งานนี้ถ้ากลับไปทุกไหมทุกใจไหมนั้นการที่เราไปเห็นปุ๊บแล้วเราทุกใจอย่างเนี้ยอันนี้เขาเรียกว่ามันทุกซ้ำซ้อนแล้ว ไปเห็นทุกข์ของธรรมชาติแล้วก็ไปดึงเอาทุกข์ธรรมชาติไปไว้ในใจคนมันกลายเป็นทุกข์ของคนขึ้นมาในกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าไม่เห็นทุกข์หรือว่าวางท่าทีทางใจต่อทุกข์น่ะผิดพลาดอันนี้เรากับเอาใจเขาไปรับทุกข์ไปดึงทุกข์ไปรู้ทุกข์มันเลยผิดพลาดไปในอริยศาสตร์ใอริยศาสตร์เนี่ย กิจในการที่จะต้องปฏิบัติต่อทุกอะเขาเรียกปริญญานี่นะกิจในอริยสัจสี่ก็คือหน้าที่ที่จะพึงทําต่ออริยสัจแต่ละอย่างข้อที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องและเสร็จสิ้นในอริยสัจสีอย่างเนี่ยยังชื่อว่ารู้อริยสัจแล้วก็เป็นผู้ตัดรู้แล้วเนี่ยเขาเรียกปริญญานี่นะการกําหนดรู้เป็นกิจในทุกทุกเนีะนะ่ยทุกเป็นกิจที่ควรกําหนดรู้นี่ ภาษาพระเขาเรียกว่าทุกขังอริยสัจจังปริน ย, ยอยยังเคยได้ยินเขานี่ไหมทุกขังอริยสัจจังปริญ ย, ย, ย่อยยังในธรรมจักรกับวัฒนสูตรที่เราสวดกันเนี่ยก็แปลว่าทุกควรกําหนดรู้คําว่าควรกําหนดรู้ในที่นั้นก็คือควรศึกษารู้จักให้เข้าใจชัดตามสภาพที่เป็นจริงได้แก่อะไรได้แก่การกําหนดทําความเข้าใจในขอบเขตของปัญหานั้นให้ชัดเห็นไหมเนี่ยกรณนีแบบนี้ถ้าทุกขัง อริยสัจยังปริญญางก็คือปริญญาญก็คือเป็นคุณศัพท์ถ้าเป็นานามก็เรียกปริญญาก็เหมือนกับทีเ่เราไปรับปริญญากันมาทุกวันเนี่ยมาใช้แท้จริงปริญญาศัพท์นี้เป็นชื่อของปัญญาทกนั้นเป็นหน้าที่ของปัญญารู้ไม่ใช่หน้าที่เอาใจเขาไปรู้เมื่อกี้เมื่อสักครู่ที่บอกว่าไปมองหน้าในกระจกแล้วมันรับตัวเองไม่ได้เลยอะแล้วมันเครียดขึ้นมาไอ้ยังเงี้ยอันนี้แหละเขาเรียกเอาใจเขาไปรับมันผิด แต่ถ้าเอาปัญญาเข้าไปรับปัญญาเข้าไปรู้ไปวิจัยไปรู้ขอบเขตของปัญหาปุ๊บเนี่ยมันจะมีความรู้สึกยังไงอะถ้าปัญญาเข้าไปเห็นความจริงอะไปเห็นความความผมงอกหนังเหี่ยวย่นสรีล่โค้งงอตามืดมัวหูก็อื้ออึงฟันก็หักไปเห็นอาการของสรีระมันเป็นอย่างนี้ความจริงที่เป็นชาลาทุกขมันปรากฏอย่างนี้พอเห็นปุ๊บความรู้สึกตอนนั้นจะเป็นยังไงถ้าเห็นด้วยปัญญา ฮะน้ำตาล่วงเลยไหมฮะเห็นแล้วตอนนั้นจะทกใจเลยชื่นใจจริงเออไปเห็นปั๊บนี่หัวเลาะชื่นใจเลยไหมนางอัมพะปาลีคณิกาเออแต่ก่อนเธอสวยมากนางอัมพะปาลีเนี่ยขนาดเป็นหญิงงามเมืองเนี่ย พระราชามหกศากษัตริย์หรือว่าคนที่รวยทั้งหลายต้องประมูลนะใครอยากจะอยู่กับเธอเคียงแค่คืนสองคืนเนี่ยต้องไปทำพิธีการประมูลกันเลยเนะสวยจริงไหมแบบเนี้ยเขาเรียกว่านางงามจักราวาลเนะี่ยสวยมากแต่โบราณเขาเรียกโสเพณีเขาเยหญิงงามเมืองงามมากในเมืองเนี้ยนี่นั้นเวลา เวลาจะใครจะไปเกี่ยวข้องกับเธอต้องโหวประมูลกันพระราชาประกาศนั้นในยุ ก, ก่อนถ้าใครสวยขนาดนี้ห้ามแต่งงาน น, นคือให้เอาให้ทุกคนมีสิทธิ์โดยเฉพาะต้องมาประมูลแลให้เธอให้เธอชื่นชอบใจด้วยแล้วก็มีที่อยู่ให้มีอะไรให้บ้านยางใหญ่โตมีฐ า, านันสักฐานันดอนขนาดนั้นเลยน น, นั้นทุกคนก็หาเงินหาทองอยากไปประมูลว่าโอ้ ه, สวยจริงๆนี่ถือว่าสวยจริงไหมแบบเนี้ย พวกเราสู้ไม่ได้เ น, นี่ยนางเนี่ยแล้วอยู่ต่อมาเนี่ยนะต่อมานางนี้เธอได้บรรลุธรรมนะแล้วเธอออกบทนะตอนแก่แล้วเนี่ยตอนที่เธอแก่แล้วเธอก็มีอยู่วันหนึ่งเธอก็ไปเห็นเนี่ยสีาของเธอเธอก็ไปพรณานะาโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยผมของเธอเนี่ยดำขวับเลยเป็นเป็นรอน งามมากงามมากแต่ปัจจุบันเนี่ยผมหลุดล่วงหัวกระล้านพอเธอไปเห็นความจริงตรงนี้ปุ๊บเธอก็เกิดปีติอุทานออกมาว่าพระดำรัสของพระพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปงผันปีติปลาโมดปลาโมดปีติปัิสติสุขสมาธิเกิดแล้วเข้าสมาธิได้ได้ยานปัญญาเห็นความจริงตรงนี้เราเคยเห็นขนาดนั้นนี่ยังเอ <c oughs> <c oughs> ทีนี้เธอไปมองที่จมูกของเธอ แต่ก่อนจะโหมกเป็นอย่างหอยะดานเลยโค้งงอนงามมากใช่ไหมโด่งงามมากแต่พอแก่ไปเพิบมเนี่ยมันแฟบไงยอมเนี่ยเนื้อตรงนี้มันหายไปใช่ไหมหายมันก็แฟบเลยแฟบเลยอะ่ะเธอก็บอกโหแต่ก่อนเนี่ยจะโหมกเนี่ยเหมือนกับหอละ ด, ดานงามงามมากแต่ปัจจุบันนี้แฟบ แฝดแล้วหายใจก็ไม่ค่อยสะดวกด้วยพระดำรัสของพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันพอเธอเห็นความจริงตรงนี้ปุ๊บเนี่ยปีติเกิดจิตใจสว่างโปร่งโล่งขึ้นมาเห็นความจริงฮนะเข้าสมาธิได้ยอมวลองไปทำดูบ้างทีได้ไหมเนี่ยขอพลยเธอไปเห็นเนี่ยตัวไอ้หน้าอกของเธอแต่ก่อนตึงใช่ไหมตึงมาก งดงามมากแต่ปัจจุบันเนี่ยแฟบแล้วก็ห้อยแล้วก็ย้อยลงไปเหมือนถุงกาแฟ ى. <analyze> ต, <az> ติดกระดูกมีแต่นเนื้อติดกระดูกแล้วก็ย้อยลงไปอย่างเงี้ยเธอพอไปเห็นความจริงตรงเนี้ยเธอก็นึกถึงพระดำํำรัสของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันปีติเกิดน้ําตาไหลปีติเห็นความจริงของกระแสชีวิตเนี่ยแล้วก็ ทำปราโมทปีติประสธิสุขสมาธิยานปัญญาก็เกิดแทงตลอดความจริงได้เนี่ยการเห็นทุกข์มันเห็นแบบนี้เห็นด้วยปัญญาเป็นแบบนี้ถ้าไปมองกระจกพบเครียดกินเลยโอโหผมมันงอกหมดแล้วนี่ถ้าอย่างนี้ไม่ใช่เห็นทุกข์เข้าใจยังเห็นความจริงมันต้องชื่นใจใช่ไหมแต่เราเห็นความจริงมันรับไหมไ พอจะเห็นไหวไหมทุกแบบนี้เห็นแล้วชื่นใจเห็นแล้วสุขใจอ่ะพอเข้าห้องแต่งตัวดูในกระจกก็หัวเราะทุกวันเลยเนะยชื่นใจเดี๋ยวสามีถามหัวเราะอะไรคิดถึงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแก่เป็นอย่างนี้จริงๆแก่แล้วใช่ไหมมันมันมันไปหมดแล้วยังไงใช่ไห พอจะเชื่อใจไหมเี้ยเขาเป็นนึกถึงพระดำหลัดว่าจริงแท้ไม่แปรผันมันเป็นยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมลองไปดูที่ในสูตรเนี่ยนางพระอัมพระปาลีคณิกาเนี่ยคือพิจารณาแล้วว่าปีติเกิดได้ทุกข้อเลยพิจารณาผมปีติก็เกิดพิจารณาขนเล็บฟันพิจารณาตาเอ้ยจมูกเอ้ยปากเอ้ยสิรีระกของเธอ พอพิจารณาเห็นความจริงตรงนี้ขึ้นมาปราโมทปีติปัสสติก็เกิดสุขสมานัดเกิดนึกถึงพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่านี่แก่จริงๆเห็นความแก่แล้วแล้วใจเป็นสุขใช่ไหมเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขของเราในเวลาเห็นทุกข์แล้วอะไรต่อทุกข์เครียดกินเลยไอ้นี่เขาเรียกว่าไม่ได้เห็นอริยสัจถ้าเห็นอริยสัจเห็นด้วยปัญญาก็คือเห็นความจริงฉนั้นต่อไปกลัวความแก่ไหม แล้วไปย้อมผมทำไมเพราะอะไรย้อมทำไมฮะอ๋อเป็นเงินอยากให้มันสวย พันกระดํากระด่างเวลามองป้อในใจนเป็นสุขไหมไปเห็นชลาตรงนั้นป้อในใจนเป็นสุขไหมหรือมันเป็นทุกข์พอทําไปย้อมสีดําแล้วมันสุขใจเป็นสุขใช่ไหมไอ้กรณีอย่างเงี้ยเขาเรียกไม่ได้เห็นทุกข์ถ้าเห็นทุกข์ก็คือเห็นความจริงแล้วชื่นใจชื่นใจได้ยังไงนึกถึงพระดำํำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าจริงแท้ไม่แปรผันเรามีความ เกิดเป็นธรรมดาไม่ร่วงพ้นความเกิดไปได้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้เราจะต้องพัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเรามีกรรมเป็นของของตนเราทํากรรมใดไว้ดีหรือชั่วเราจะต้องรับผลของกรรมนั้นมันเห็นความจริงตรงนี้เรามันชื่นใจเวลาบาปมันให้ผลในอะไรก็นั่งยิ้ม โอ้ยพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยจริงแท้ไม่แปรผันตอนนี้เจอเขาแล้วเ <c oughs> ข้าใจยังเวลาไปธาหมีบอกโอ้โหทำไมปล่อยแก่ขนาดนี้แล้วก็บอกเธอต้องชื่นใจนี่ไงคือความจริงที่พุทธเจ้าตรัสไว้เรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้เห็นแล้วต้องเกิดปีติที่มาเครียดกับฉันทาไม ฉันยังปีติเกิดเลยาใจยังก็บอกความจริงเขาอย่างเงี้ยนี่แหละความจริงเธอจงชื่นใจไว้วันนี้ฉันแสดงให้เห็นจะได้รู้ว่าแกมันเป็นอย่างนี้แหละแล้วต่อไปไม่ใช่ธรรมดาฉันจะบ่นเก่งด้วย <laughs> จ้จี้จุกจิกไม่รู้เรื่อง <laughs> โมหะก็กินว่างั้นนะนะเข้านะเข้าพูดก็จะไม่รู้เรื่อง ฉันจะพูดอยู่คนเดียวจะบ่นเพิ่มอยู่เนี่ยอาการแบบนี้คือชะลานี่ชัดไหมพราะงั้นนะนี่ความจริงเมื่อเธอเห็นความจริงตรงนี้ปีติต้องเกิดสิชื่นใจจริงไหมเอาเห็นความจริงมันต้องชื่นใจสิเพราะถ้าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยจะเข้าจะจะเกิดคําว่าสังเวชเนี่ยสังเวชเนี่ยถ้าความหมายของไทยๆเราก็แปลว่าอะไร พอโท้อถอยหมดกําลังใจหมดเรีย่ยวหมดแรงใช่ไหมโอ้โหสังเวชจริงๆมีอยู่วัดหนึ่งนะที่กรุงเทพเนี่ยเขาเรียกวัดสังเวช <c oughs> ใช่ไหมกไออยู่ตรงใกลๆ้ๆถนนวัฒทิศเนี่ยเป็นวัดสังเวชในกรุงเทพเนี่ยในประเทศไทยตอนนี้ยเขาจะมักจะเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนโรงเรียนนะ ที่โรงเรียนวัดเนี่ยเช่นโรงวันโรงเรียนวัดเทพศรินเขาก็ไม่เอาวัดใจแล้วเป็นโรงเรียนเทพศรินเงี้ยโรงเรียนวัดราชบ่อพิษเขาก็เป็นโรงเรียนบ่อพิษบ่อพิษพิมุกอะไรเงี้ยวัดละเขาเอาวัดออกเยอะหมดเลยเขาไม่กล้าเอาออกอยู่วัดเดียวโรงเรียนวัดสังเวทถ้าวัดออกเลยกลายเป็นโรงเรียนสังเวทเป็นไม่อยากกล้าออกก็ดีเลยเพราะ เพราะมันมึนมันไม่รู้ว่าสังเวนแปลว่าอะไรงไงเหมือนคำว่าสังเวชนียสถานสี่แห่งสี่ตำบลเนี่ยเป็นสถานที่ที่ควรไปดูควรไปแลกควรไปสักการะควรไปบูชาใชสังเวชาศัพท์นั้นเน่ยนันแปลว่าเมื่อไปดูแล้วเนี่ยมันจะเกิดกำลังใจสังเวชน์นปนแปลว่ากำลังใจนะมันจะเกิดพลังเกิดกาลังใจขึ้นมาเกิด อาถานพ์ล่าเริงขึ้นมาเห็นความจริงของชีวิตแล้วเกิดอาถานพ์ล่าเริงเขาจะยังเหมือนอย่างเงี้ยยอมเวลาฉันเห็นยอมมานั่งกันแก่ๆทั้งนั้นเนี่ยฉันสังเวชเลยอ่ะสังเวชคือฉันเกิดอะไรเกิดกำลังใจขึ้นมาเกิดพลังขึ้นมาเกิดความชื่นใจขึ้นมาว่าพระดํารัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงแท้ไม่แปรผันฉันเข้าใจถูกแล้วที่ฉันไม่มีครอบครวัว ฉันคิดอย่างเงี้ยเข้าใจไหมโอ้โหแต่ก่อนฉันยังก้ากึ่งอยู่นะสมัยอายุยี่สิบนูอนอ้นน่ะทอตอนนี้ฉันมันชัดเจนเลย <laughs> อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจยังอย่างเงี้ยเวลาท่านไนามาเห็นอย่างเงี้ยท่านไนาชื่นใจทันที <laughs> ใช่ไหม ท่านจะเชื่อใจทันทีว่าโอ้โห้เส้นยาแดงผ่าแปดเกือบพลาดไปนั่นเองจริงจงนัเห็นความจริงตรงนี้ขนาดเห็นขนาดนี้ถ้าปัญญาไม่เกิดก็ให้มันลุกไปใช่ไหมขนาดเห็นขนาดนี้ประจักษ์แจ้งความจริงขนาดนี้ถ้าปัญญาไม่เกิดแปลว่ามึนจัดแล้วนี่เห็นความจริงใช่ไหม อะยอมว่าจริงไหมเนี่ยเห็นความจริงขนาดนี้เห็นความจริงอย่างนี้ยังพยายามไปมืดไปมัวเมาลุ่มหลงอีกใช้ไม่ได้เลยนี่ความอย่างนี้เขาเรียกสังเวชเกิดกําลังใจขึ้นมาในการที่จะเดินออกจากความแก่ความเจ็บความตายได้มีพลังขึ้นมาเลยเกิดความอาจห่างเกล้ากล้าก้าวไปใจสู้เนี่ยสังเวชเป็นแบบนี้ไม่ใช่ไปเห็นปั๊บหมดแรงหมดกําลังไปไม่เป็นนี่ก็เรียกขดตถูทอถอยไม่ใช่สังเวช เราไปแปลสังเวชกันผิดไงฉั้นสถานที่ที่ไปดูสถานที่พระเจ้าประสูต์ตื่นเต้นไหมไม่ใช่ไปเห็นแล้วหมดแรงเลยมีบางคนเกิดสังเวชแบบไทยๆนะเข้าไปตรงที่พระเจ้าปรินิพพานไปนั่งร้องไห้ถ า, ถามๆโยมร้องไห้ทําไมสงสารพระเจ้าไม่น่ามาตายตรงนี้เลยเอาเอาเป็นงั้นซะอีกไปสงสารพระเจ้าเขาอางั้นดูซิมาตายตรงนี้มาตายในที่อนาถาเลยเกิน เรากโอ้ยอมเลยเป็นอย่างนั้นโอ้ยน่าสงสารท่านท่านเป็นกษัตริย์แท้ๆทำไมมาตายอย่างนี้โอ้สงสารท่านจังวังก็ร้องไห้นั่งร้องไห้จะอธิบายไงวันนี้คนลรสังเวชแล้วอนี้มันสังเวชภาษาไทยแล้วเขาจะยังเห็นไหมคนไปเข้าใจผิดจริงๆอ๋อเขาไปสังเวชแบบไทยๆสังเวชก็คือหมดแรงหมดกําลังใช่ไหมฉะนั้นเวลายอมเห็นความแก่จิตใจต้องมีพลังกลับขึ้นมาไหม ไม่ใช่ไปดูกระจกปุ๊บท้อใจเลยโอ้โหกูหมดทางแล้วนี่ยไปไม่เป็นแล้วทําไมแก่ขนาดนี้เราใช่ไหมไปคิดเงี้ยแล้วก็หมดแรงเลยอ่ะไม่อยากทําอะไรเลยใครเรียกก็ไม่อยากคุยกับใครแล้วเอาบางคนขนาดนั้นเลยนะดาราดาราบางคนเนี่ยที่ดาราดังๆสมัยอดีตจะไปเ อ, อ่ยชื่อเธอเลยเนะยเธอไม่กล้าให้ใครพบหน้ากันทุกวันเนี่ยทำไมก่อนเธอสวยมีภาพสวยๆออกมาเนี่ยใช่ไหม ทุกวันนี้ไม่กล้าไม่กล้าโผหน้าให้กังสื่อมวลชนเห็นใครเห็นถ้าถามไปอยากให้คนจำภาพเธอในภาพสวยๆฉันพยายามอยากไปเจอเธออย่างจะไปบอกว่าทำไมไปคิดอย่างนั้นโพออกมาให้เขาเห็นเลยเข้าไล่ะแล้วให้ทุกคนเห็นเธอให้ตื่นเต้นนึกถึงพระดำรัสของพระเจ้าเจ้าใจไหมล่ะดูสิแต่ก่อนสวยงามเป็นระดับนางงามจักรวาลเลยนะ เนี่ยปัจจุบันดูหน้าสิพยายามรักษาพยายามตกแต่งพยายามไปทํามาไม่รู้เท่าไหร่เสียเงินเสียทองเท่าไหร่มันเอาไม่อยู่นี่คือพระดํารัสของว่าสัมมาสมพุทธเจา้าว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไงไม่ร่วงพ้นความแก่ไปได้นี่คือความจริงนี่สัจจะความจริงเห็นความจริงตรงนี้จะได้ปราโมทปีติบัสสิสุขสมาธิเกิดขึ้นปัญญายาณจะได้เห็นความจริงของชีวิตเข้าใจไหม ในเห็นได้ปัญญาที่จะได้เอาใจเขาไปรับที่ใจเขาไปรับก็เครียดตายเลยดนี่เธอก็เครียดทุกข์ไม่อยากให้ใครเห็นนะแล้วก็ให้แต่ทุกคนที่เห็นแต่ภาพเก่าๆสวยๆตัวเองก็อยู่กับจินตนาการเนี่ยปรุงแต่งหลอกตัวเองไปวันๆเนี่ยเราอยู่ในเมืองพุทธเราไม่น่าจะมีคนคิดแบบนี้เข้าใจไหมแต่ก็มีอ่ะสักวันหนึ่งเกิดหน้าเรามเละหมดเลยเราจะกล้าออกมาหาเพื่อนไหมกล้าไม่กล้า สงสัยไม่กล้าเนี่ย <c oughs> กล้าไหมเอาไว้ถ่ายลงเฟซเลยยอมดูที่แต่ก่อนฉันสวยมากดูหน้าฉันตอนนี้ที่ท่านทั้งหลายจงดูไวใช่ไหมยิ่งคนดูแล้วเกิดอสุภกรรมฐานถ้าพระได้เห็นด้วยแล้วโได้กรรมฐานเลยยิ่งพระบรรลุธรรมได้ยิ่งดีใหญ่ใช่ไหมล่ะบางคนเวลาตายแล้วก็จึงเอาศอกไปพิจารณาไงใช่ไหมล่ะ อยากให้พระพิจารณาไหมทําให้เน่าอืดขึ้นมาแล้วให้พระท่านปองพิจารณาท่านจะได้บรรลุธรรมเป็นบุญไหมโอ้โห เ, เป็นบุญเลยฉันอย่าไปแต่งเยอะทําเป็นความจริงของชีวิตให้พระท่านเห็นบ่อยๆก็บอกพระท่านในแต่ก่อนเนี่ยฉันไม่ธรรมดานะเนี่ยเนี่ยดูรูกแต่ก่อนฉันที่ ด, ดูปัจจุบันนี่ท่านดูสิเนี่ยเนี่ยความจริงมันปรากฏเป็นแบบนี้ก็บอกความจริงอย่เนี่ย พอจเริ่มเห็นอย่งว่าคำว่าเห็นทุกข์ด้วยปัญญากับเห็นทุกข์ด้วยใจต่างกันไหมถ้าเห็นด้วยใจเป็นยังไงคเครียดเลยทุกข์เลยวิตกกังวลใช่ไหมแต่เห็นด้วยปัญญาก็เป็นทุกขังปฐินเยยยังอริยสัจอย่า ง, งใช่ไหมแปลว่าทุกข์เป็นกิจของปัญญารู้ปัญญาเข้าไปรู้นี้เป็นต้นเอาต่อไปทุกขคสมูทไทย ทุกขสมุทัยก็แปลว่าเหตุเกิดแห่งทุกหรือสาเหตุให้เกิดทุกในตัวด่าดหน้าจริงๆท่านเอาตัณหาสามมามาเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกท่านใช้คําว่ากา ม, มาตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาเคยได้ยินคํานี้ไหมฉันพยายามมาพูดคํายากๆให้มันง่ายๆเนี่ยกา ม, มาตัณหาก็แปลว่าความยินดีพอใจในกามความทยานอยากในกา ม, มาคุณ ราวะตันหาก็ความยินดีในภาวะหรือในพบในความมีความเป็นก็ว่าไปวิภาวะตันหาความยินดีในปราศจากนะปราศจากพบทีนี้ถ้าแปลอย่างนี้คนก็จะเข้าใจยากแล้วออไอตัวตันหาเนี่ยที่บอกว่าความยินดีในสีสีที่สวยๆเสียงที่เ พ, อพอราะกลิ่นที่หอมๆรสที่อร่อยสัมผัสที่นิ่มๆยอมยังยินดีกันอยู่ไหมมีความสึกแบบนี้ม ยอมอยากได้อยากให้สีหน้าสีผิวของเราเนี่ยสวยไหมหรืออยากให้สีผิวมันครุขขระเต็มไปด้วยเม็ดสิวเต็มไปด้วยเป็นเหมือนโรคพัชร์เนี่ยเหมือนอยากให้หน้าเป็นแบบนั้นไหมเพราะอะไรความอยากความต้องการแต่ความจริงเป็นยังไงเห็นไหมความจริงมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยใช่ไหมที่มันเป็นอย่างนี้มันบ่งบอกถึงความชลาที่ปรากฏ แต่ว่าตัวตัญหาเนี่ยมันไม่ชอบให้สังเกต ด, ดูนะที่เราไปมองหน้าเราปุ๊บแล้วเราไม่พอใจเนี่ยเราไม่อยากมองไม่อยากดูไม่อยากเห็นมันเป็นตันหาอีกประเภทหนึ่งนะเขาเรียกวิภาวะมันอยากจะพ้นอยากอยากจะให้พ้นจากสภาพนี้เคยเป็นไหมเราไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้เลยฉะนั้นตัวกา ม, มตัญหาความยินดีพอใจในกามเนี่ยชอบรูปที่สวย เวลาเราไปเราอยู่ที่บ้านก็ดีไปที่ไหนก็ดีเราอยากให้คนคุยกับพูดกับเราเพาะเพาะไหม <Yeah. S 1> อย่างเช่นเวลาใครเจอหน้าเราโอ้โห <Yeah. S 1> oh ไม่ได้เห็นตั้งนานสวยขึ้นเป็นกองเลยจอ <Yeah. S 1> ชอบไหมเจ้ากันพูดแบบนี้ไหมโอ้โห <Yeah. S 1> oh ไม่ได้เห็นตั้งนานทำไมแก่ขนาดนี้แล้ว <laughs> <laughs> ชอบคาไหน <Yeah. S 1> ค, จคาจริงกับความไม่จริงไงชอบคาไหน แล้วเอามาทำไมคเนี้เอาเวลาเราไปนอนป่วยที่โรงพยาบาลใกล้จะตายแล้วสมมติใกล้จะตายเขาบอกโอ้โหเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ได้กลับบ้าน <c oughs> กับคำว่าโอ้นี่ใกล้จะตายแล้วเนี่ยแล้ว เ, เราชอบคำแบบไหน <c oughs> ทั้งๆัที่มันไม่หายนี่นะ <c oughs> เราทำไมไม่สมาทานว่าขอให้คนบอกความจริงของเราโดยเร็วเถอะเรื่องจริงเนะี่ย ทำไมเราไม่ชอบความจริงเราเราจะได้ไม่หลงอ่ะเดี๋ยวนี้เวลาไปเจอหน้ากันเราก็จะพูดกันแบบนี้นะทั้งๆ ท, ที่ไม่ได้คิดถึงกันแล้วก็บอกโอ้ยไม่เจอตั้งนานคิดถึงทับเยแย่เลย <c oughs> ยิ่มใหญ่กวนั้นบอกคิดถึงทับยาฉันก็มานั่งนึกเออชาวโลกก็คุยกันแบบนี้เนาะ คนแก่ใกล้ตายแล้วป่วยงองเงี้โอ้ยยายเดี๋ยวก็หายนะเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านพยาบาลก็ชอบพูดกับคนแก่ Father, ication, แบบเนี้ยพูดคนใกล้ตายแบบเนี้ยยอมเป็นพยาบาลพูดแบบนี้บ่อยไหมยายเดี๋ยวยายก็ตายแล้วนะยายได้ได้พูดแบบนี้ไหมไม่ได้พูดบอกความจริงเขาอย่างนี้เลยทำไมไม่บอกเขาฮะดนเลยเขาฟ้องได้เลย ทำไมอ่ะก็ก็เขาใกล้ตายจริงๆแล้วเจปฟ้องตรงไหนเขาบอกว่านี้ใกล้ตายจริงว่าอย่างคนเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายอ่ะถ้างั้นโยมก็พูดกับเขาใหม่ว่าแวเขาถามว่า เออฉันจะได้กลับบ้านไหมเด๋ฉันจะหายฉันจะฉันจะหายไหมแล้วก็ถามเราอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าคุณต้องการความจริงหรือความคำไม่จริง <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมอาจจะให้ฉันพูดจริงหรือไม่จริงใช่ไหมถ้าเขาบอกว่าจริงก็เอานี่นะยอมพ่อฉันใช่ไหมฉันจะคุยกับยอมพ่อเรื่องจริงจริงเงินตลอด และยอมพ่อเนี่ยใหม่ๆเป็นคนที่เถีแรงมากใครบอกอะไรก็ไม่ฟังหรอกยังไม่สนใจแค ส, สูบบุหรี่ลูกเขาไปบอกก็ไม่ฟังแต่ฉันไม่ไม่เวแบบลาฉันไปคุยกับกับยอมพ่อฉันไม่ได้คุยบอกให้เลิกสูบบุหรี่อ่ะฉันก็บอกก็อย่าไปห้ามไปห้ามยอมพ่อไม่ให้สูบบุหรี่พวกเอ็กเนี่ยไม่ได้เรื่องเลย ยอมพ่อเป็นผู้ใหญ่แล้วมีสติปัญญายอมรู้อะไรควรไม่ควรน่<笑><笑>อกเองนี่ใช้ไม่ได้เข้าใจยางฉะนั้นยอมพ่อจะไม่มีวันที่จะเลิกโดยคนอื่นบอกถ้าจะเลิกได้เลิกทังวงยอมพ่อเองยอมพ่อยิ้มเลยฉะนั้นเนี่ยยอมพ่อยอมรู้อยู่แล้วว่าสุบูลีร่างกายรับได้แค่ไหนไม่รับได้แค่ไหนฉะนั้นเราไม่ต้องไปบอก เมลระยะหนึ่งยังก็พายมพ่อไปนู่นไปที่โรงพยาบาลสิริราชไปไปไปเยี่ยมคนที่เป็นมะเร็งกล่องเสียงพอพาเข้าไปก็บอกนี่ไงยอมพ่อนี่พกเป็นมะเร็งแกะกล่องเสียงเนี่ยสูบบุหรี่มากแต่ไม่เป็นไรเห็นไหมยอมพ่อไม่ตายด้วยแค่เอากล่องเสียงออกพูดไม่ได้แค่นั้นเองเออแต่ถึงพูดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะยอมพ่อนะ มันมีเขาเรียกว่าสมาคมผู้ไร้กล่องเสียงอย่างประเทศไทยเขาไปฝึกพูดก็พาไปดูด้วยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันมันจเจริญขนาดเนี้ยโดนตัดก็ไม่ตายแล้วก็ไปฝึกพูดแล้วพูดเป็นเสียงเป็ดเนี่ยแป๊บปก็ไปปากันแล้วก็ใ ห, ให้ให้คนนั้นพูดไม่บอกไอ้คนคนที่เป็นก็บอกเอาอะไรอุดตรงนี้แล้วก็พูดบอกยอมพ่าถ้าโดนบลีให้รีบเลิกซะ ยมพ่ออย่าไปเชื่อเขาก็พูดไปอย่างนั้นนลยยมพ่อกลับมาเริ่มคิดหนักไหมคิดหนักไหมฉันบอกยอมพ่อไม่ต้องเลิกเราอยากจะสูบเรามีร่างกายของเราจะทำไงก็ได้กลับไปกลับมามาระยะท่านคงคิดหนักนะกเข้าเลิกเลยโอ้ยอมพ่อเห็นไหมกขาบอกนี่ยมพ่อจะเลิกก็เลิกด้วยตัวเองเห็นไมไม่ต้องมีใครไปบอกอันนี้ใช้วิธีการไม เนี่ยวิธีการอย่างนี้เ็าเรียกสมาณตต า, ตาการวางตนที่เหมาะสมกับการที่ไปคุยกับคนประเภทนี้เขาใหญ่ยัยงเวลาเราจะคุยกับคนประเภทนี้ยอมก็ใช้วิธีลักษณะคล้ายแบบนี้จะเจอสามีเขาสูบบุหรี่กินเหล้าก็อย่าไปห้ามเขาเขาใหญ่ยังสามีกินเหล้าไหมมีใครสามีกินเหล้าบ้างมีไหมตอนนี้ยังกินดีไหมเออดีเลยพาไป พาไปพาไปมีวิธีรักหนะแบบเนี้ยทีนี้พอเลิกสูบบุหรี่แล้วนะข้านะข้ า, าไอการที่เลิกช้าเกินไปเนี่ยนะข้าก็เริ่มเป็นทุ่งลมป่อ ง, องพองแกก็เริ่มเหนื่อยพอมาสักสี่ห้าหกปีทีนี้พอเหนื่อยมากๆ า, ก า, กากแล้วเธเนี้ยเธอแกก็เริ่มเดินลำบากขึ้นนะข้าวนะข้ า, าแกก็เลิกหลายหลยอย่างก็ปฏิบัติตนดีขึ้นตามทุกอย่างเลยนะ ความอยากไม่อยากตายของมนุษย์น่ะนะและในที่สุดจริงๆพอมาได้อีกประมาณสิบห้าถึงยี่สิปีท่านก็เป็นมะเร็งแต่ฉันจะคุยกับแกเรื่องความจริงนี้มาตลอดเลยนะบ๊วยเป็นพานเนี่ยไปที่โรงพยาบาลพบฉันไปเยี่ยมแกเนี่ยทุกคนก็คุยเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวอะไรต่างๆฉันก็ไปดูฉันก็เอาโอพีดีการ์มาเปิดดูคุยกับหมอเสเซฉันก็บอกเออยศพ่อนี่เป็นอะไรรู้ไหม หมอยังไม่บอกฉันบอกนี่เขาเรียกมะเร็งระยะสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวก็ตายแล้วเนี่ยยมพ่อฉันคุยอย่างนี้เลยนะยมพ่อก็คนเดีคุยกันตรงๆใช่ไหมพอคุยอย่างนี้ปุ๊บพวกหมอพวกพยาบาลว่าเฮ้ยคุยอย่างนั้นฉันคุยอย่างเงี้ยเขาเรียกก็ระยะสุดท้ายยมพ่อเนี่ยอาจจะอยู่หกเดือนหรือปีหนึ่งเลยก็ว่าไปแต่รักษาตัวดีๆเนี่ย แต่ถ้าหากว่ารักษาตัวไม่ดีหรืออะไรเนี่ยโอกาสแค่หกเดือนนี่ก็ยากแล้วยอมพ่อนน้าชักไม่ค่อยดียอมพ่อกลัวตายไหมก็ไม่กลัวตายทําไงอ่ะตายก็เผา <c oughs> <c oughs> ก็เริ่มคุยคุยกับแกตรงไปตรงมาไปเสร็จเอางี้ยังมีวิธีการรักษาในะยอมพ่อรักษาแบบเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองมันเป็นยังไงตอนนี้มันกระจายไปเยอะแล้วยังไงก็บอกเลยนี่ยอมพ่อปอดมีปัญหาเพราะเป็นทุงลมป่องพองด้วยเนี่ย โอกาสที่มันจะกระจายไปที่ปอดจะสูงมากดังกรณีแบบนี้ส่วนไหนที่อ่อนแอมันจะไปทําลายตรงนั้นก่อนเลยเร็วที่สุดคือจุดนั้นแหละแต่วิธีการรักษาคือจะให้คีโมนิยมพ่ออายุแปบเจแล้วแล้วก็บอกรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยไม่มีปัญหาหรือจะไปรักษาแบบตามอาการกลับไปอยู่ที่บ้านให้เลือกให้นิยมพ่อตัดสินใจเลยนะเลือกเอาทางไหนก็ทางนั้นเลยลูกพร้อมที่จะทําตามทุกอย่าง ไปรักษาที่ไหนก็ได้แต่ที่สุดมันจะเป็นอย่างนี้อบอกแกตามลำดับให้แกคิดวันนึ่งค่อยมาค่อยคุยกันใหม่พออีวันก็ไปนั่งถามแกถามตกลงเอาอยัางไงก็อบอกกลับบ้านเอางั้นจริงนะบอกจริงงั้นก็เตรียมมาที่บ้านสั่งเตียงสั่งอะไรมาดูแลฉันก็ดูแลแกก็คุยกัแกธรรมดาเนี่ยเอารักษาตามอาการบ้างไม่ไหวจริงก็หมอมาช่วยบ้าง แผนโบราณาว่ากันไว้นั่นแหละแล้วเราก็เปิดธรรมะอะไรต่างคุยแล้วก็ประชุมน้องประชุมญาติผัดเวรกันดูยังไงต้องคุยกันยังไงบอกทุกอย่างดูแลอย่างนั้นประมาณเกือบสองเดือนที่สุดยิ่งก็ตายก่อนจะตายเนี่ยให้ได้ให้ให้ให้แกได้นิมิตที่ดีด้วยเนี่ยลักษณะแบบนี้เห็นไหมคือว่าคุยกับแกมา ก่อนไม่ได้ไปกลัวกับมันทุกคนไม่ต้องไปนั่งร้องไห้ว่าใกล้จะตายจริงๆฉันบอกว่ายอมมีอะไรเท่าไหร่เขาบอกเขามีเงินมีอะไรทั้งหลายก็จะให้ลูกไม่ต้องลูกไม่มีใครเอาโหเก็บเก็บคนตาหนีเขาใช่ไหม ย, ยอมในบรรดาคนตาหนีในยอมพ่อฉันในตนหนีที่สุดนะ <laughs> ฉันบอก อ้าที่ทางต่างๆยกให้ลูกแบ่งไปแต่ว่าเงินในธนาคารไม่มีใครเอาทำไงงั้นยอมเอาทําบุญให้หมดทำให้หมดเลยนะไม่เหลือไปเอาเจ้าที่ธนาคารมาให้แกเซ็นเองเลยเนี่ยมันจะทำไม่ทันแล้วเนี่ยแต่มีข้อแม้ยอมอยากทำอะไรบอกน้องสาวก็คอยจดจะทำอะไรทำอะไรแกก็ให้แกคิด เอาจะทําให้ทุกบาทเอาเบิกออกมามีกี่ธนาคารอะมาเอาม า, อ า, มาถอนถอนออกมาให้หมดให้ไม่มีเหลือสักนิดเลยเนี่ยทําให้มันหมดเนื้อหมดตัวไปเลยเดี๋ยวทำทิ้งทวนแล้วเชื่อใจไหมแกบอกเชื่อใจแล้ว <c oughs> นี่ทำแบบนี้ใช่ไหม เ, เงินที่จะไว้ทําสุ่มทาสอบไม่ต้องเดี๋ยวลูกๆจัดการแกก็มาทําแกจะซ่อมอุโบโสถ แกจะทํากระถิ่ น, นบอกไปงั้นเดี๋ยวจัดการให้ซ่อมบัวโสดใช้เท่าไหร่แล้วคนอื่นร่วมที่เหลือแล้วจะทํากระถิ่นฉันบอจัดการให้เบเสร็จอ้าวให้แกย ก, ยกจบแรงต่างแล้วก็นั้นไม่มีเหลือแล้วก็ให้แกคิดมีเหลือตรงไหนอีกไหมแกก็คิดอยู่สองวันก็ยังเหลืออีกสามหมื่นบาทแหม ย, ยังแอบซ่อนไว้อีกนะโเกือบไปเห็นไหมแกนึกออกไงเนี่ยจนไม่มีเหลือแล้ว หมดหรือยังหมดเนื้อหมดตัวยังหมดแล้วเนี่ยแล้วก็ให้แกคิดเคยพาแกไปที่อินเดียก็แกคิดคิดที่แกไปอินเดียก็จําได้หมดแหละบอกบอกตรงไหนก็ก็จำระลึกได้ตรงโน้นพวกตรงนั้นที่ปัสสูว ต, ตรงนี้ตัดสรู้ตรงนั้นพวกเขาคิชกูตรงนั้นไปวัดเวรุวนันเชตาวันให้แกระลึกแกจําได้หมดนะให้แกระลึกตรงไหนชื่นใจที่สุดแกบอกตรงเขาคิชกู เอาภาพมาให้แกดูจริงๆแกก็ร้องโอยอยก็นวดนวดให้แกเปดูยที่สุดจริงๆก็พอตอนที่แกจะตายเนี่ยตอนนั้นอะแกไม่ค่อยไหวแล้วตอนจะตีสองแล้วแกบอกไม่ไหวแล้วแกบอกมีคนมาลับแกยืนอยู่ข้างนอกนั่นน่ะนี่ให้แกผูกใจไว้ที่เดาวดึง่ง นี่ก็ไปๆมาก็บอกว่าคนที่จะรับเนี่ยเข้ามาแล้วเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยทุกคนก็ไม่เห็นนะแกบอกเนี่ยยืนอยู่ตรงเนี้ยฉันก็ถามบอกว่าจะรับไปที่ไหนเขาบอกจะรับไปที่ดาวดึกฉันก็ให้เอก็เลยให้ยอมพ่อต่อรองว่าพรุ่งนี้ค่อยมารับได้ไหมยอมพ่อก็บอกว่าพรุ่งนี้มารับได้ไหมไอ้คนที่มาแกเห็นแกเองนะคนอื่นไม่เห็นเขาบอกว่าถ้าไม่ไปวันนี้ก็ไม่ได้ไป เชนก็บอกไอ้ก็เลยบอกแกบอกทั้งนั้นรีบไปเถิดก็ประคองจากนั่งก็ประคองให้แกนอนไงแล้วก็บอกแกว่าให้ไปไปที่ดาวดึงไปอยู่กับพระไปที่พระเกศแก้วยุรามณีนะเยื่อพ่อนะไปไหว้พระบรมสาลายทีธาตุไหว้พระรากขวัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ที่ตรงนั้นไปอยู่กับเท้าสกัดนั้นปลอดภัยหน่อย อยากลับมาเกิดในมนุษย์ในช่วงนี้มันเดือดร้อนกันเศรษฐกิจก็ไม่ดี <c oughs> แล้วแกก็ค่อยๆนอนแกก็คาบคาบคาแล้วก็ตายเลยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบอกทางทันโอ้โหถ้าเป็นบุญนะเนี่ยถ้าใครใกล้จะตายมีพระไปบอกอย่างนั้นดีไหมเนีย่ยจองท่านไหนไว้สิ <c oughs> <c oughs> บอกกัท่านนะท่านอะเยอะยังน้อยๆเนี่ยอย่างฉันเนี่ยไม่ทันแล้ว ถ้าอย่างเงี้ยเขายังพอไห้อย่าเย็พวกโยมเนี่ยน่าจะโอกาสให้ท่านบอกนะ้ใช่ไหมนี่มนุ์นะท่านนะ้ยอมจะตายช่วยบอกมาบอกทางให้ยอมหน่อยสาคัญจะไม่อย่างนั้นโอ้โหถ้าไปตายแล้วมีแต่คนไม่รู้เรื่องอยู่รอบข้างรีดซวยเลยตายเลยไปอบายง่ายๆเลยเนาะมนุษย์เรานี่ยใช่ไหมล่ะเนีย่ยแล้วก็พอท่านตายก็ศพไว้เจ็ดวัน ทำบุญทุกวนันทุกวนันเดี๋ยวนี้ถึงครบรอบวันตายเทไรฉันก็ไปจัด ป, ปฏิบัติธรรมตอนนี้ที่ที่กคให้ก็ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมไปเรียบร้อยเลย <laughs> ทำเป็นที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็จัดนานๆก็ไปจัดปฏิบัติธรรมแล้วก็ข้างอีกที่นึงทำเป็นโรงครัวไว้ทำโรงทานด้วยจัดโรงทานบา่อย ตอนนี้ยญาติๆถ้าฉันไปแต่ละทีก็มีแต่วิ่งทำบุญกันอยู่นั่นเอเขาบอกโหทำบุญจนจนกันหมดแล้วครอบกับพานี่ไม่ดีเลยก็ฉันบอกจะไม่เป็นไรจนชาติเดียวอย่าไปกังวลเลยเยอะใช่ไหมญาติๆฉันเป็นคนไม่ค่อยมีตังค์เลยเพราะตั้งแต่ฉันบวชมาฉันพาให้ญาติจนกันอีก่ ฉันไม่ค่อสนใจเรื่องการมีเงินมีทองฉัสนใจว่าให้ทําบุญเพราะเกิดมาจนเนี่ยไม่ได้จะไปชาติหน้าจะลำบากใหญ่ฉันรู้ช่องทางทํำยังไงจะไม่ลำบากใช่ไหมล่ะฮะเมื่อกี้พูดเรื่องสังเวคะยอมเข้าใจยังสังเวชเนะี่ยสังเวชดีหรือไม่ดีถ้าอยากทํามาสังเวชถ้าเกิดขึ้นในใจแล้วจะเกิดจิตอาหารพ์ล่าเลิง ก ล, กล้าๆเพราะเกิดความสะดุ้งสะเทือนด้วยโอตะปะคือกลัวต่อมรณะภัยกลัวต่ออบายทุกติวินิบาตนารกมีปัญญาสังเวคเนี่ยสังเวชเนี่ยองค์ธรรมของเขาได้แก่ปัญญากับโอตะปะปัญญาคือความเข้าใจรู้ความจริงโอตปะก็คือสะดุ้งกลัวภัยไม่ใช่กลัวแบบโธสากลัวนะสะดุ้งกลัวภัยก็พิจารณาว่ามีพลังขึ้นมาทันทีเลย มีพลังขึ้นมาทันทีแล้วก็ขวัขวายในการเจริญสิ่งที่ดีๆงามๆทันทีไม่ปล่อยให้ตนเองนั้นเนี่ยจมอยู่กันในเรื่องประมาทนั้นคนที่มีสังเวขาเนี่ยสังเวทเนี่ยเหมือนวัดคําว่าวัดสังเวทเนี่ยไปวัดนี้แล้วเนี่ยแล้วเกิดกําลังใจขึ้นมาไม่รู้พระวัดสังเวทท่านรู้ความจริงข้อนี้หรือเปล่าโรงเรียนวัดสังเวทใช่ไหมมีใช่ไหม เขาไม่กล้าตัดคำวัดออกทีนี้ตัวทุกขสมุทยัยเนี่ยไม่ได้เกดตัณหาหนึ่งกรรมมาตัณหาความยินดีอยากได้ในกรมคุณอารมณ์ความทยานอยากแสหาเสาะหาแต่เรื่องกามต้องการเอากามทั้งหลายมาตอบสนองบารุงบาเพลยอัตตาตัวตนเองเออมันคิดอย่างนี้นะมันคิดว่าเออถ้าเราได้อย่างนี้ขึ้นมาแล้วตนเองจะมีความสุข ได้บ้านแล้วจะมีความสุขได้รถแล้วจะมีความสุขได้ทรัพย์แล้วจะมีความสุขก็ทยานอยากสแสวงหาเสาะหาค้นหากันตลอดเวลาเหนื่อยไหมถ้าถูกตั้หาตัวนี้ผลักดันเหนื่อยทั้งชีวิตเลยแล้วก็วิ่งหากันอยู่นี่แหละแล้วก็ไม่จบไม่สิน้นบางคนบางคนตายแล้วก็ยัง ไ, ม, ไ, ม, ไ ม, ม่ไม่ไม่ยอมนีไม่ยอมยังวางทายาทความอยากตามมาอีกส่วนภาวะตั้หาก็หมายความว่า อยากให้มันคงอยู่อยากให้มันถาวรอยากให้มันมั่นคงเคยเป็นไหมความรู้สึกเนี้ยเช่นอยากให้ความรักมันมั่นคงไม่ให้เปลี่ยนแปลงอยากให้ร่างกายของเราเนี่ยมันสวยอยู่อย่างเนี้มันไม่อยากให้มันเปลี่ยนอยากให้สติปัญญาของเรามันดีอยู่อย่างนี้อยากให้ร่างกายเราแข็งแรงอยู่อย่างนี้อยากคนนี้อยดีกับเราตลอดไปไอ้ความคิดในลักษณะนี้ความอยากแบบนี้เขาเรียกภาวะเคยเป็นไหมความต้องการแบบเนี้มีอยู่ไหมตอนเนี้ย อยากให้ความแก่นี่มั น, นคนคงทนอยู่อย่างนี้ไม่มีนะความรู้สึกเนี้ยแต่อยากให้ความเป็นหนุ่มสาวมันคงทนถาวรอยากให้ความมีสติปัญญามันมั่นคงมันถาวรอยู่ความอยากความต้องการในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกภาวะส่วนวิภาวะเนี่ยวิพยาวิภาวะนี่อยากพ้นยอมอยากจะพ้นจากสภาพหน้าตาแบบนี้ไหม อยากให้มันพ้นไปอยากให้มันอยากคือเราต้องการอยากจะได้หน้าตาอีกอย่างใช่ไหมเคยเราไปดูเห็นคนหน้าตาสวยๆเราเรามีความรู้สึกอยากจะจินตนาการเราอยากจะเป็นแบบนั้นไหมเพราะอะไรเพราะเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคือจริงๆภาวะอยากพ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าบางทีเราประสบความทุกข์เราก็อยากจะพ้นจากมนอยากเข้าถึงความสุข ไอ้กรณีในลักษณะอย่างนี้เขาเราียกวิภาวะที่จริงถ้าพูดกันตามรูปแบบเลยเพราะวะตัณหาเป็นความต้องการที่เกิดร่วมกันกับสัสธรทิฏฐิความเห็นว่าเที่ยงต้องการให้มันเที่ยงแท้แน่นอนทวิภาวะตัณหาเป็นความต้องการความอยากที่เป็นไปกระอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิอยากให้มันศูนย์อยากให้มันดับอยากให้มันพ้นไปไอกรณีในลักษณะที่ว่าสิ่งที่เราไม่ต้องการทั้งหลายเหล่านี้เราอยากมันดับศูนย์เช่นเวลามีคนที่ เราไม่ชอบไม่พอใจทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี้มันอยากให้พ้นพ้นไปอย่างนี้เป็นต้นงั้นคือตัณหาสามตัณหาเป็นด้านหน้าแต่เบื้องหลังของตัณหาคือโมหะอวิชชาคือความไม่รู้อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นสังขารคือการปรุงแต่งแล้วก็กรรมทั้งกุศลกรรมและกุศลกรรมกรรมที่นําไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดทุกอย่างจัด่าเป็นสมุทัยสจาวหมดเลยเป็นวัตสมุทัยหมดเลยนะ ฉะนั้นคุณจะให้ทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเป็นการให้ทานรักษาศีลหรือเจริญสมาธิเพื่อจุดหมายของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไอกรรมประเภทนี้เป็นสมุทัยก็จะยังเป็นสมุทัยยสัจยะเขาเรียกว่าเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าไปเกิดอยู่ตราบใดก็ต้องไปได้ตาได้หูได้จมูกได้ลิ้นได้กายได้ใจพอมีตาหูจมูกลิ้นกายใจแปลว่าได้อะไรก็ได้ทกขึ้นมาก้อนนึง แล้วเราก็ต้องมาบริหารมาจัดการในสิ่งที่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันเป็นทุกข์สิ่งที่มันต้องแปลปวนเป็นธรรมดาเห็นไหมเนี่ยไอ้สาภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่ามันเป็นทุกข์มันเบียดเบียนบีบคั้นนี่สมุทัยเนี่ยทีนี้สมุทัยเนี่ยเป็นกิจที่ควรทำต่อสมุทัยก็คือควรอะไรสมุทัยควรอะไรควรละควรประหารควรกาจัดมาจากคาว่า ทุกขสมุทโย ο, อริยสัจยางปหาตะพังสมุทยะเนี่ยค ว, ควรละายควรละควรกำจัดควรทำให้หมดสิ้นไปได้การแก้ไขกำจัดต้นตอของปัญหานั้นเนี่ยจะมาสรุปใช้ในชีวิตจริงนะนี่พูดตามหลักวิชาการนิดหนึ่งเงินส่วนประการที่สามเขาเรียกว่าทุกขนิโรธความดับทุกขได้แก่ภาวะที่ตัณหาดับสิ้นไปภาวะที่เข้าถึงการกาจัดอวิชาคือความมืดบอด การสำหรอกตันหาสิ้นแล้วไม่ถูกย้อมไม่ติดข้องหลุดพ้นสยบแล้วก็ปลอดโปรงเป็นอิสระเขาเรียกนิพพานอันนี้เป็นจุดหมายเอายอมเคยมีจุดหมายว่าฉันจะต้องนิพพานให้ได้คือจะต้องให้กิเลสนิพพานให้ได้ให้ความทยานอยากมันนิพพานให้ได้ไม่ต้องการอยากจะให้มีกิเลสมาพัวพันในกระแสะชีวิตอีกยอมอยากไหม มีความประสงค์อยากจะดับทุกข์อย่างท้ายแท้จริงไหมก็คือวางจุดหมายว่าเราจะต้องพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดให้ได้ตราบใดเราต้องเวียนว่ายตายเกิดยอมลองนึกอย่างนี้นะเราต่อสู้มาทั้งชีวิตถ้าตายแล้วเกิดเป็นเด็กใหม่แล้วยอมต้องกลับมาต่อสู้ใหม่อีกยอมคิดว่ามันเหนื่อยไหม นี่ไงคือประเด็นคืออย่างนี้คนที่เขาไม่ปรารถนาการเกิดเขาอยากจะนิพพานก็หมายความว่าให้กิเลสนิพพานเสียกระแสชีวิตจะได้หยุดการเวียนว่ายตายเกิดทีทีถ้าตราบใดยังมาเวียนว่ายตายเกิดเนีนมันจะต้องมาเกิดโหกว่าจะโตในทันครคลอดออกมากว่าจะเป็นเด็กรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะไปเรียนหนังสือรู้เรื่องเพอเพอไปเกิดในดงอะไรก็ไม่รู้สารพัดไปเกิดเป็นคนยากจนเขาอีกต้องลําบากต้องต่อสู้ชีวิต โอ้โหสะหัสกักการมากต่อปากัดตีนถีบนะบางทีเนี่ยเกิดมาทั้งชีวิตหยุดไม่ได้อ่ะเคยหยุดไม่ได้ท้องมันหิวใช่ไหมเล่าแล้วลไม่ใช่กินเแค่คนเดียวอีกยังมีบุตรหลานญาติมิตรคอยง อ, งอมืองอเท้าแบมือคอยอีกแล้วแล้วก็เหนื่อยไปเถอะเนี่ยจริงไหมเนี่ยประเด็นมันอย่างนี้ไง เขาเลยมามองดูว่าโอ้โหนิโรธเนี่ยมันจุดหมายเนี่ยมันสุดยอดจริงเราต้องการดับเนี่ยเข้าสู่ความดับทุกเข้าถึงภาวะที่สิ้นตัณหาสิ้นความทยานอยากเราไม่ต้องการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอยากให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจมันหยุดตัวมันสทัทีแล้วก็ไม่ต้องสืบต่อการสืบต่อมันเป็นทุกข์มันเป็นความทรมาน ก็เลยวางจุดหมายไว้ที่นิโรธฉันจะต้องนิโรธให้ได้ฉันจะต้องนิพพานให้ได้ฉันจะต้องดับให้ได้ก็เลยวางจุดหมายก็ไว้ว่าเป็นภาวทีนี้นิโรธสัจจญาเนี่ยเป็นสัจจิกริยาควรทําให้แจ้งเป็นกิจในนิโรธะก็แปลวทุกข์นิโรโทเ ร, รียสัจยางสัจจากาตพังเนี่ยนิโรธเนี่ยควรทําให้แจ้งก็คือควรเข้าถึงควรบรรลุภาวะที่ปราบปลอดจากปัญหาให้เป็นจุดหมายที่ควรถึง ไม่ให้ภาวานิโรธควรรู้ถึงจริงๆถ้าเรารู้ถึงจุดนั้นเมื่อไหร่ชีวิตเราก็หมดแล้วเราไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเราไม่ต้องประสบความทุกข์อีกแล้วตัณหาก็นิพพานไปนี่ควรรู้ถึงอันนี้ก็คือว่าหนึ่งทุกควรกาหนดรู้สมุทัยควรละทิ้งนิโรธควรรู้ถึงแลวข้อสุดท้ายมรรคตเนี้ย ขาเทุกขานิโรธคำนิปริตปทาปฏิปทาที่นําไปสู่การดับทุกข์ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์นั้นเป็นข้อปฏิบัตินี้ภาคลงมือทํานะให้สังเกตดูนะว่าทุกข์ควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธควรรู้ถึงเราไม่ต้องไปทําอะไรมนันนะเนี่ยสมข้อเนี่ยไม่ต้องทํามาทําข้อไหนข้อสุดท้ายทําข้อเดียวก็คือทุกขานิโรธคำนิปฏิติปทาเนี่ยปฏิปทาที่นําไปสู่ความดับทุกข์ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ได้แก่อริยะถ้าพูดตามศัพท์เขาเรียกอริยะอัตถังคิกามัคหรือเรียกอีกอย่างหนึง่งเรียกมัชชิมาปฏิบาัตาิเคยได้ยินคำนี้ไหมเขาแปลว่าอะไรทางสายกลางคือมัคมีองค์8เขาไม่เรียกมัค8นะมัคมีองค์8ไอทางสายกลางเนี่ยทางที่จะดำเนินไปสู่การดับทุกข์มีกี่ทาง มีทางเดียวไม่ใช่มีแปดทางบางคนไปนบอกว่ามาร์กแดันก็มี่ยมาร์กแปลว่าทางเนี่ยแปดก็แปลว่าทางแปดทางเลยมันไม่ใช่ไปกันคนละทางแปดทางนะเขาจึงเรียกว่ามาร์กมีองค์แปดมาร์กมีทางเดียวแต่ว่าองค์มาร์กแปดมาประชุมรวมกันแล้วดําเนินไปตามมัชชิมาปฏิปทาเป็นทางสายเดียวเขาเรียกเอกายโนมารโคทางสายนี้คือเป็นทางสายเดียว พระพุทธเจ้าบอกเอกาญโนอายังพิกเวมารโคดูก่อนภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางสายเดียวเป็นมชิมาปฏิปทาที่ดำเนินไปสู่ความพ้นทุกข์คือทางสายนี้ที่พระพุทธเจ้าดำเนินไปแล้วพระพุทธเจ้าในอดีตดำเนินไปแล้วองค์ปัจจุบันดำเนินไปถึงแม้ในอนาคตก็จะดำเนินไปทางทางสายนี้ถ้าเราต้องการจะพ้นทุกข์เราต้องดำเนินไหมเราต้องปฏิบัติตามทางสายนี้เท่านั้นถึงจะสามารถดับทุกข์และพ้นทุกข์ได้ แล้วอยากจะไปไม่ทางสายเนี้ยแต่ทุกวันนี้เราไปสายไหนเราไปสายไหนไม่ใช่สายของพุทธเจ้าเราไปใช่ั้มเช่นเวลาเกิดความโลภขึ้นมาไปสายไหนโอ้ยยินดีพอใจเพลิดเพลินในกามนี่ใช่มารกไหมใช่ไหมเป็นมิจฉามารกนี่ทางมันผิดเวลาเกิดความโกรธความเครียดขึ้นมาไปสายไหน อาตกิรมาฐานโยโยกนู่นเครียดกรไรทางแต่ถ้ามัชฌิมาปฏิปทานเนี่ยไปด้วศรัทธาใช่ไหมมีศรัทธาเป็นตัวนําร่องไปสู่สัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องสัมมาสังกัปปะความตํางมัที่ถูกต้องเป็นทางดําเนินไปสู่ความพ้นทุกข์น่าเดินไหมทางสายเนี้ยครับพระพุทธเจ้าบอกว่าเอกายโนยังพิคเวมารโคทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวที่พุทธเจ้าทรงดําเนินไป สัตตานางวิสุทธิยาดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์ทางสายอื่นสัตว์ดําเนินไปแล้วสกปกนะสกปกด้วยราคะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างสปกปรกด้วยกายทุจริตวิจีทุจริตมโนโทุจริตใช่ไหมแต่ดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วเนี่ยสัตว์นั้นเข้าถึงความสะอาดกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดราคะโทสะโมหะไม่กุ้มรุมสะอาดไหม โอ้เป็นสัตว์ที่สะอาดบริสุทธิ์หมดจดเลยเนี่ยทางสายเนี้ยงั้นถ้าปรารถนาจะเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดให้ดําเนินไปทางทางสายนี้โศกัดปริเทวนงังสมติกามายะดําเนินไปทางสายนี้แล้วจะพ้นจากความโศกความร่ำไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจโอ้โหไปทางสายนี้เราสบายเลยเราไม่ต้องไปโศกบ่อยๆไม่ต้องไปแก่บ่อยๆเจ็บบ่อยๆตายบ่อยๆไปโศกไปร่ําไรลําพันธ์ใช่ไหมที่ผ่านมาโศกไหมล่ะที่เราทํากันเนี่ย ก่สแสวงหาทราบแสวงหาบุตรแสวงหาภรรยาสแสวงหาญาติมิตรโอ้โหศกโศกไหมล่ะต้องไปเจ็บปวดเยอะทะเลาะกันเยอะขัดแย้งกันเยอะใช่ไหมไปอยู่บ้านหลังใหญ่ไปนั่งอยู่ในรถคันงามๆมีความสุขดีไหมรถวิ่งไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้โห ต้องผ่อนเดือนและเท่าไหร่นะเนี่ยร้อนไหมร้อนแน่ๆนีน้ำมันจะหมดอีกแล้วเนี่ยต้องเติมน้ำมันอีกต้องควักเดือนเี่เขียนไหมล่ะโอ้โหร้อนลุ่มโสกาปริเทวนังสมติกามายะญยสาธิกมายะดําเนินไปทางทางสายนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรคนิพพานศาสสัจจิริยายะดําเนินไปตามทางสายนี้เพื่อเข้าถึงอนุปาทาปรินิพาน การสิ้นจากกิเลสจากกองทุกตัวเนี้ยมาร์เนี่ยนะทางสายกลางคําว่ากลางเนี่ยบางทีคนไปเข้าใจผิดเนี่ยกลางบางทีเราไปคิดว่าออตอนนี้เรากินเหล้าวันละสิบแก้วเราลดเหลือห้าแก้วนี่กลางและกลางแลใช่ไหมอันนี้ละกลางไหมกลางมันเป็นเรื่องของความดีหรือไม่ดี เป็นความดีนะไม่ใช่ความเอาความไม่ดีมาลดลงครึ่งหนึ่งเหลือไม่ดีครึ่งหนึ่งแล้วเป็นมัชชิมาไม่ใช่อย่างไงเออเรามักจะไปเข้าใจคําว่ากลางแบบนี้กันเยอะเลยใช่ไหมคำว่ากลางนี่ก็คือไม่เอียงไปหาความโลภไม่เอียงไปหาความโกรธอย่างเงี้ยเป็นปฏิปทาเป็นข้อปฏิบัติเป็นทางดําเนินเนี่ยที่เป็นไปตามศีลสมาธิปัญญา ในขณะที่พฤติกรรมที่ดําเนินไปตามศีลสภาพจิตใจที่ดําเนินไปตามสมาธิทัศนะความเห็นที่มีปัญญาเป็นตัวนําอย่างนี้เขาเรียกกลางนะการดําเนินชีวิตที่เป็นไปได้วยความถูกต้องดีงามด้วยแล้วมีปัญญาเป็นตัวกํากับในการดําเนินนําบาชีวิตมีตัวสมาธิถิเป็นตัวนําชีวิตลักษณะนี้เขาเรียกกลางนี่งั้นสรุปลงในไตรสิกขาก็คือในศีลสมาธิปัญญาทีนี้ถ้าสังเกตดูว่า เวลาพฤติกรรมทางกายเนะี่ยถ้ากายเราประพฤติกายจะทุจริตฆ่าสัตว์รักทรัพย์เนี่ยประพฤติปิดในกาอันนี้ไม่กลางแล้วมันเอียงไปแล้วเขาใหญ่ยังวจีกรรมของเราไปพูดเท็จส่อเสียดคำหยาเพื่อเจืะ อ, อย่างเงี้ยไม่กลางแล้วถ้ากลางทางด้านพฤติกรรมทางกายก็คือว่าไม่ฆ่าสัตว์ไม่ ร, รมมักทรัพย์กายก็สะอาดวาจาก็สะอาดเนี่ยกรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ากลางทางกายถ้าใจล่ะใจเราไม่ถูกราคาโทสะโมหกุ้มลุม ตอนนั้นใจมีทั้งคุณภาพมีทั้งสมรรถภาพมีทั้งความสุขคุณภาพก็คือใจเป็นไปกับเมตตากรุณามุทิตาทีนี้ให้สังเกตดูนะที่เราเรียนพรอมิหารธรรทมาเนี่ยยอมเมตตาความรักปรารถนาดีเอื้อทอนไม่ให้ด้านจิตใจนะกรุณาความสงสารคิดจะช่วยพ้นทุก์มุทิตาความพอยยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดีใช่ไหมอันนี้ด้านอะไรด้านใจด้านความรู้สึกถ้าจะให้เป็นกลางจริงๆต้องมีตัวไหนมาดุลไว้ อุเบกขาอุเบกขานี่แปลว่าอะไรเนี่ยแปลว่ามีปัญญาเป็นตัวกำกับวางใจเป็นกลางเนี่ยถืออะไรเป็นใหญ่ถือธรรมะความถูกต้องดีงามเป็นหลักเนี่ยมันจะดุลกันอย่างเนี้ยมีตัวไม่ใช่ถ้าเป็นเมตตากรุณามุทิตาอย่างเดียวนี่ด้านความรู้สึกล้วนๆเฉะั้นต้องเตินด้านความรู้มามามาดุลเขาไว้มาดุลเขาไ ว, าาไว้ก็เลยกลายเป็นมชิมาปฏิปทาถ้าใคร ไม่เอาเมตตากระณนามุติตาเลยเอาอุเบกขาอย่างเดียวล้วนๆเอาแต่กฎเกณฑ์เอาแต่กติกาเอาเราเบียบขึ้นมามันก็ไม่กลางนะตอเนี้ยมันก็กลายเป็นว่าทุกอย่างเป็นกติกาไม่สนใจใครจะทุกข์ใครจะเดือดร้อนใครจะยุ่งยากไม่สนทุกอย่างเป็นไปตามกติกาคุณไม่ทำตามกติกาคุณก็พ่ายแพ้ไปไม่ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันคุณเป็น คุณทําไม่ถูกต้องคุณก็ได้รับโทษไปทําถูกต้องได้รับความดีไปคุณจะเป็นญาติมิตรเป็นอะไรต่างๆฉันไม่สนไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นฉันเอาตัวเองเป็นตัวตั้งแล้วเอาความถูกต้องเอากฎเกณฑ์กติกามาว่าเอียงไหมมันก็เอียงไปมันมันรู้สึกมันตึงไปทางด้านกฎเกณฑ์กติกาเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนทางด้านยุโรปเนี่ยแต่ถ้าไม่เอาเลยไม่เอาความถูกต้องมาเป็นตัวคานวัดเลยมีแต่โอ้มเมตตากันกรุณากันลูกทําผิดก็กรุณาอยู่นั่นแหละ ทำผิดทำอะไรก็กรุณาช่วยเหลือกันจนเสียคนเลยเงี้ยนะอ่อนแอไปเลยเงี้ยนี่เห็นไหมมันก็เอียงไปทั้งด้านความรู้สึกฉะนั้นก็ต้องเอาพวกทั้งด้านความรู้สึกด้านความรู้มาบาลานกันให้ได้ดุลยภาพให้ได้สมตาให้ได้มัชฌิมาปฏิปทาหลักการคืออย่างนี้หมดเวลาแล้วเอาแต่ <c oughs> <c oughs> อืมโ ส, สดาปฏิมักโ ส, สดาปฏิผลสากาธาคามีมากสากาธาคามีผลน า, า, าคามีมากน า, า, าคามีผลอัตตะมักอัตผลอ๋อคือ อ, อย่างนี้ระหว่างมักกับผลเนี่ยมักนี่เป็นเหตุใช่ไหมคือจริงๆเนี่ยแยกไปตามสภาวะในขณะที่เดินวิปัสสนาญาณเป็นไปตามลําดับ พอไอตัวยานปัญญาเนี่ยเข้าไปประชมหรือตัวอริยมรรคมีองแปดไปประชมครั้งแรกพอไปชมครั้งแรกปุ๊บเนี่ยกิเลสในใจก็หลุดไอตัวกิเลสในใจหลุดไปแล้วไม่กลับมาเกิดอีกเลยตอนนั้นเขาเรียกมรรคเกิดขึ้นมรรคจิตเกิดขึ้นเป็นโลกุตละมรรคเกิดขึ้นเมื่อโลกุตระมรรคเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมรรคนั้นดับไปพอมรรคดับไปผล ขาเรอริยผลก็เกิดขึ้นติดต่อนะอริยผลที่เกิดขึ้นติดต่อตรงนี้อันนี้ไม่ใช่มาร์กแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่กิเลสหลุดจากใจแล้วก็เลยได้รับความสุขจากกิเลส ท, ที่ที่ดับไปจากอันนี้ก็เลยกลายเป็นผลเขาจึงเรียกว่ามาร์จิตผ ล, ลจิตทีนี้ไปนับขณะมาร์จิตเกิดขึ้นเน่ยเขาเรียกว่าโสดาปิมาร์กขั้งแรก เมื่อโซดาปฏิมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการในละ ก, กิเลสเป็นครั้งแรกเกิดขึ้นผลลัพธ์ก็เกิดขึ้นติดต่อมาได้รับเสวยผลจากการที่กิเลสสิ้นไปเข<ม>าจึงเรียกว่าตรงนั้นเป็นโสดาปฏิผลเห็น<ม>ไหมพอประชุมมรคครั้งแรกเนี่ยเขาเรียกเป็นพระโซดาบันยัยดับไ ป, บไปแล้วมรค ก, ก็จะไม่เกิดขึ้นก็เหลือแต่มีโอกาสจะเข้าเสวยผลจากการผหารกิเลสได้เรื่อยๆไป ถาประชมมรคครั้งที่2องเขาเรียกสกัตาคามิมรคพอหลังจากสกัตาคามรคดับไปก็มีผลเกิดต่อก็ได้รับเสวยผลจากการประหารกิเลสครั้งที่2เห็นไหมลักษณะอย่างนี้ต่อไปคนคนนั้นไม่ได้เป็นพระโสดาบันอีกแล้วเป็นพระสกัตาคาไม่สามารถกลับไปเข้าผลเก่าได้แล้วเพราะตนเองเลื่อนชั้นมาเรียบร้อยแล้วมาอยู่ในระดับที่2พอประชมมรคครั้งที่3ามเขาเรียกว่าอนนาคามีมรค ปะหานกิเลสอีกระดับหนึ่งระดับระดับละเอียดขึ้นไปกว่าอีกหลังจากอนาคาร ม, มักดับไปปุ๊บอนาคามีผลก็เกิดต่อก็เป็นอนาคามีบุคคลอันนั้นก็ไม่เกิดอีกแล้วเป็นระดับที่สมพอครั้งสุดท้ายประชุมมักครั้งสุดท้ายได้เขาเรียก阿รหัตมักนี่บรรลุจุดหมายสูงสุดแล้วแล้วอ拉หัตมัคดับไปก็เป็น阿รหัตผลท่านผู้นั้นก็เลยเป็นพระละหันเลย เนี่ยเป็นพระรหารหมดสิ้นจากกิเลสและกองทุกรอวันเวลาได้รับอะไรรับโบนัสชิ้นสุดท้ายโบนัสชิ้นสุดท้ายก็คือรางวัลชิ้นสุดท้ายว่าเมื่อไหรต่ตนเองจะตายรอวันตายเพราะตายแล้วไม่ต้องเกิดอีกต่อไปนั้นพระรหารทั้งหลายท่านจะดีใจมากเพราะท่านตายแล้วท่านตัดชาติสิ้นแล้วพรหาจารย์อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่มีอีกท่านไม่ต้องกลับมาเกิดบ่อยๆแก่บ่อยๆแล้วเพราะท่านดับกระแสการเวียนว่ายตายเกิดได้เขาจึงบอกว่าเหมือนคนทำงานเสร็จแล้วรอโบนัสชิ้นสุดท้ายเหมือนคนไปทำงานบริษัทก็ดีงานขับราชการก็ดีว่าเนี่ยหลังจากว่าตนเองจะได้รอรางวัลชิ้นสุดท้ายรอวันนั้นเนี่ยเหมือนกันพลาอาหารมื้งไงรอเมื่อไหร่เนาะตนเองลมหายใจอดับ มันเป็นพ า, าร่าเหลือเกินที่ต้องแบกขันตภาร่าในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับตื่นพูดนิ่งในการทํากิจกรรมแต่ท่านไม่อยู่แบบอิดหนาหละอาใจนะท่านอยู่แบบทํากิจแต่ว่าท่านไม่ใช่เป็นความปราถนาของท่านสูงสุดถ้ปาปราถนาสูงสุดเหมือนพระเจ้าปริลนิพานนั่นแหละท่านบอกโอ้โหสุดยอดของของชีวิตของพระอรหันต์ท่านทั้งหลายก็คือการได้ดับโดยไม่มีส่วนเหลือแล้วก็พลอยจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะจุดมุ่งหมายของท่านก็เพื่อตรงนี้ เพื่ออนุปาทาปรินิพานเพื่อการดับ ก, กิเลสและกองทุกข์อย่างพวกเรามีจุดหมายแบบนี้ไหม <laughs> นั่นแหละไปเห็นพระเจ้าปรินิพานแล้วชื่นใจว่าสักวันหนึ่งฉันจะต้องปรนิพานอย่างนี้ให้ได้สักวันหนึ่งยังจะต้องปรินิพานแบบนี้ฉันไม่อยากกลับมาเวียนไวหวตายเกิดมืนนั่งสอนอย่างนี้น่าเบื่อเหลือเกินเลยเงี้ <laughs> สอนแล้วสอนอีกอย่างเงี้ยนะกลับมาพูดเรื่องเดิมอีกแล้วถามว่าเอาเมื่อวานนี้น่ะลืมหมดแล้วเมื่อวานนี้ไม่ยอมมานั่งไปด้วยถามเป็นไงยอม เขาโหท่านพูดดีนะฟังแล้วเข้าใจแล้วเพาะลุกมาหายหมดเลยฉ <c oughs> ันฟังแล้วชื่นใจนะโอ้โหเราพูดยอมเข้าใจน่าชื่นใจพ่อบอกลุกแล้วหายหมดเลยวออ่า <c oughs> ตั้งหลักแทบไม่ทันเลยะตรงที่พอลุกมีปัญญาดุดหน้าตักห้ามลุกมลุกไม่ได้ลุกละลืน <c oughs> พขายอมเป็นแบบนั้นนะตอนนี้จําได้อยู่ไหมเนี่ย ท้า ง, งั้นให้คนเอาอาหารมาให้ตรงนี้อย่าลกๆๆเดี๋ยวลือมอ่ะใช่ไหมพอลืมมายุ่งเลยเอาแล้วสมควรเก็วเวลาจะไปพักบ้าง